ในไงมีอะไรจะมีอะไรจะถามจะพูดไห ม, ม, ม, มไม่มีอะไรจะหาแต่ว่าเอา่อคือว่าเรียกเรียกคนในบ้านนะฮะ ไม่ข้นหนุนต้มซึ่ต้มเมื่ อ, อาวานนี้ก็วางไปอยงเอาไว้ห้าเม็ดพอเสร็จแล้วโยมก็ไปอัญเชิญเขาให้มาทานอาหารกลางวันเขาก็มานั่งแล้วก็จ้องดูเขาบอกว่าอันเนี่ยเหรอเ น, นี้ยเหรออาหารกลางวันชั้นเขาว่าอะไรมันผิดอะไรเหรอเขาว่าไอ้เม็ดเมดเนี่ยเนื้อหวาก็บอกไม่ข้นหนุนเพาอยู่ทานเนื้อมาแล้ว เนืขนมมันจบไปแล้วมันก็ตามด้วยเม็ดขนมเอ่อแล้วปรดียยังไงอ่ะเพราะว่าเด็กไทยก็กินกันมานานแล้วมันเม็ดเนื้อมันหมดแล้วก็ทานต่อใ น, น, นขนมในขนมต้มสมัยก่อนมันไม่มีคิดแฉกหรือว่าอาโดนัทหรือขนมนมเลยทนีนี้พูดถึงว่าบัะดียยังไงนมก็อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นสเปก หรือพิซซ่าหรือขนมเค้กหรอะไรก็ตามสรุปแล้วมันก็เหมือนกันนะคือธาตุดินน้ําลอมไปเพราะในเนื้อนี่ก็ดินน้ำหลอมไปกันอย่างนี้กล้ามเนื้อของตัวเองเขาก็เลยไม่ว่าอะไรเขาบอกว่าเออเดี๋ยวนองเขาก็ทานหมดห้าเล็กแล้วเขาก็บอกมันก็ไม่เร็วนะชอบทูบ้า เพราะงัเขาก็ยอมรับนะเขาก็ทานนี่ก็เป็นการสอนทางอ้อมนะทา่านว่าอยาเป็นเลือกมันมากนะมันนี้ก็เลยตั้งตัวเป็นครูประจำบ้านคือการจะสอนคนอืน่นนี่มันต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะให้สอนหรือเปล่า<ข>ถา้าก็ยอมรับนะคะท่านเพราะเขาทาน <c oughs> หมดเลย ก็น้ำมันนาวเยี่แล้วเขาก็เดินออกไปก็ครั้งนี้อาจจะอรับประทานได้ครั้งต่อไปก็ถ้าไปเจอของที่เขารับไม่ได้เขาก็อาจจะไม่รับก็ได้ก็ต้องออย่าไปทําในลักษณะที่ทําให้เกิดผลเสียหายเขาละกันถ้าเขามันอยู่ที่ตัวเขาหรว่าถ้าเขา ยินดีที่จะรับประทานอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็จะบน่นเขาเขาก็จะไม่รับประทานก็ได้เรื่องการสอนคนอื่นนี่ต้องระวังสอนตัวเราเองก่อนดีกว่าเพราะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าพลาดไปก็อาจจะกลายเป็นปัญหา กลเป็นเรื่องเสียหายขึ้นมาก็ได้จะทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้อันก็ต้องทาอาหารก็ต้องตามใจคนรับประทานสิเหมือนสร้างบ้านก็ต้องตามใจคนอยู่ไม่ใช่ไปสร้างบ้านตามใจคนปลูกนะคนอยู่เขาไม่ชอบเขาก็จะไม่อยู่อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคน ที่จะชอบทาอะไรตามสิ่งที่ตนชอบจะไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ชอบนที่เรามาเผชิญหน้กันกนี้เพื่อมาแก้ปัญหาของความชอบและของความไม่ชอบเพราะมันทําให้เราต้องไม่สบายใจขึ้นมาเวลาเราได้สิ่งที่เราไม่ชอบหรือเวลาที่เราเสียในสิ่งที่เราชอบไป เราเห็นโทษของมันเราเลยมาฝึกจิตใจของเราให้รับกับอะไรก็ได้เพราะอย่างที่เมื่อกี้สรุปก็คือมันก็แค่ดินน้ําลมไฟเท่านั้นแหะทุกอย่างที่มีอยู่ตรงนี้รอบตัวเราร่างกายของเรานี้ก็มันก็มาจากดินน้ําลมไฟเท่านั้นแต่ทีนี้คนที่เขาไม่ได้ศึกษาคนที่เขาไม่ได้สนใจที่จะมา แกปัญหาเหล่านี้เราจะไปยัดเยียดให้เขาเขาก็จะไม่พอใจไม่สบายใจได้แล้วเขาก็จะอาจจะอยู่กับเราไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะอยู่เขามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำจัดนะที่ก็ทำหผลเดียวนะจ๊ะ ทำแค่รู้อะเราก็ไม่ได้โหดร้ายกับเขาอย่างนั้นนะคะทุกวันก็ลองใจดูแค่นั้นเองลองวิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องไปลองเี่เดี๋ยวเขาลองลลองใจเราบ้างเลยจะทำไงไม่หลุนทวกวันคือถ้าเขาเป็นคนที่กินอะไรได้ อะไรก็ได้ก็กแสดงว่าเป็นเป็นประโยชน์กับเขา <c oughs> เถ้าเขาจู้จี้จุกจิกมันก็มันก็จะเป็นโทษกับเขาเทำให้เขาไม่มีความสุขเวลาที่เขาไม่ได้กินตามที่เขาต้องการแต่ถ้าเขาเป็นคนกินอะไรก็ได้ทำอะไรมาเขากิน เ, เขาก็มีความสุขได้ครับ <c oughs> อาหารทุกชนิด เรื่องของการที่จะสอนใครนี้เราไม่นิยมกันเราทางทางปฏิการปฏิบัตินี้เราเน้นการสอนตัวเราเองก่อนฝึกฝนตัวเราเองก่อนการจะไปเป็นครูอาจารย์ใครนี้มันต้องอยู่ในอีกขั้นหนึ่งคือหลังจากที่เราสอนตัวเราเองได้แล้ว ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราเรากําจัดได้หมดแล้วเราไม่มีงานทำแล้วสำหรับตัวเราสำเร็จสิ้นแล้ ว, ลวหมดอยากแล้วใช่ไหมฮะก็อย่างพระพุทธเจ้าเนะี่ยพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านทรงําเพ็ญพระองค์ก็ไม่ทรงสอนใครเลยหกปีก็มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อกําจัดปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์ให้หมดไป พอหมดแล้วก็ไม่มีอะไรต้องทำแล้วก็คิดถึงการส่งเคาะผู้อื่นต่อไปแต่ในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงมีความท้อแท้เหมือนกันในเรื่องการที่จะไปสอนคนอื่นเพราะว่าตอนที่สอนพระองค์เองก็รู้สึกว่ายากยากมากก็ต้องทาในสิ่งที่ไม่ชอบต้องละในสิ่งที่ชอบ ซึ่งคนธรรมดาทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาทำในสิ่งที่ไม่ชอบมาละในสิ่งที่ชอบอก็เลยไม่มีกำลังใจที่จะตอนต้นก็เลยคิดว่าจะไม่สอนใครแล้วตามตามที่เล่ากันมาก็มีท้ามหาพรหมมาขออาราธนาว่าให้โปรด เมตตาต่อสัตว์โลกเพราะมีพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถโปรดสัตว์ได้สามารถที่จะช่วยให้สัตว์โลกที่ยังงมงายยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆนี่ให้ได้ปลดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ หลังจากนั้นพระองค์ก็เลยทรงใช้เวลาพิจารณาแยกแยะดูคนก็แบ่งเป็นสี่ประเภทนคนสี่ประเภทนี้ก็มีสามประเภทที่พอจะสั่งสอนได้แล้วก็ประเภทที่สี่นี้เป็นประเภทที่สั่งสอนไม่ได้คือเขาจะไม่รับคําสอนสอนเขาเขาก็จะไม่เชื่อฟัง คนประเภทนั้นพรองก็ทรงตัดไปว่าสอนไม่ได้แต่อีกสามประเภทนี้ก็ยังพอจะสอนได้และมีความสามารถที่จะรับคำสอนได้มากน้อยต่างกันไปตามกำลังของสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละประเภทพระองค์ก็เลยทรงทรงมุ่งไป หาประเภทที่สอนได้ง่ายที่สุดและได้รับผลเร็วที่สุดคือประเภทถ้าเป็นบัวก็บั ว, บวที่โผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วรอให้แสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาบัวนั้นก็จะบานอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกที่ตามหลักการปฏิบัติธรรมก็เป็นพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้ว แต่ยังไม่มีปัญญาเพราะปัญญาที่จะทําให้หลุดพน้นนี้ไม่มีใครรู้ในโลกนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าพระพุทธเจ้ามาแสดงให้เขาเห็นว่าความทุกข์ของเขาเกิดจากความอยากของเขาและการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือให้เขาหยุดความอยากต่างๆ ถ้าเขามีศีลมีสมาธิเขาจะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าเขายังไม่มีสมาธิเขาก็จะถ้าเขามีเขาไม่มีสมาธิไม่มีศีลเขาก็จะหยุดไม่ได้นเนพระองค์ก็เลยยังไม่ไปโปรดคนพวกที่ยังไม่มีศีลไม่มีสมาธิแต่มีศรัทธาถ้าสอนก็จะเชื่อเชื่อแล้วก็ต้องปฏิบัติ เช่นออกบวชรักษาศีลแล้วก็หัดฝึกสมาธิเช่นบุคคลชุดแรกที่ท่านส่งไปปวดก็คือพวกที่มีศีลสมาธิแล้วพวกที่เป็นนักบวชอยู่แล้วเช่นพระปัญจวัคคีพอท่านแสดงทางปัญญาหนึ่งในพระปัญจญวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นนารยาสสี ก็หลุดพ kind of ้นได้ระดับ hmm. ขั kind of ้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกายเห็นเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายว่ามีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาคือต้องเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะ ไม่มีปัญญามองเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ยอมรับความจริงพอเห็นว่าถ้าอยากจะหลุดจากความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายก็ต้องยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเขาก็ทันกับบรรลุธรรมขึ้นมาปล่อยวางเรื่องของร่างกายได้ส่วนหนึ่งคือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไม่กลัวว่าร่างกาย จะแก่จะเจ็บจะตายนี่จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนัตตร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้ไม่ดับก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าปล่อยให้ดับไปตามความเป็นจริงของเขาก็จะไม่ทุกข์ แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมอีกครั้งสองครัง้งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันนี้ก็เป็นบุคคลประเภทที่หนึ่งที่เรียกวัวเหนือน้ำวัวที่ผล่มาเหนือน้ำพวกประเภทที่สองก็เป็นพวกที่ ได้บวชแล้วรักษาศีลแล้วรักษาศีลได้แล้วแต่ยังทำใจให้สงบไม่ได้ต้องฝึกสมาธิให้มากมากฝึกสติจริญสติให้มากมากเพื่อทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นให้เป็นอุเบกขาเพราะกำลังของอุเบกขานี้จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้ามีปัญญาสอนให้ รู้ว่าความอยากชนิดนี้เป็นโทษเป็นพิษเป็นไผก็หยุดได้ต้องมีปัญญาบอกว่าตอนนี้กําลังไม่สบายใจเพราะอยากจะสอนสามีให้ปฏิบัติธรรมแล้วสามีต่อต้านทะเลาะวิวาดกันไม่สบายอกไม่สบายใจเอก็ต้องหยุดสอนหยุดไปอยากเอสอนไม่ได้เขาไม่ยอมรับคการสอนของเราพอเราไม่มีความอยากจะสอนเข า, เาก็ ไม่ไปวุ่นวายกับเขาไม่ทุกข์กับเขาอันนี้คือประเภทที่สองก็เป็นประเภทที่มีศรัทธามีศีลเป็นนักบวชแต่ยังไม่มีสมาธิกำลังบำเพ็ญดเลืินสติอย่างพวกเรานี่ก็อาจจะอยู่ในประเภทที่สองนี้ก็ได้หรืออยู่ประเภทที่หนึ่งก็ไม่รู้บางคนก็อาจจะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้ แต่เรื่องศรัทธานี่มีแน่ๆเชื่อเชื่อในพระธรรมสอนของพระเจ้าถึงมาวัดกันถึงมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วก็รักษาศีลกันศีลจะบรยสุดครบหรือไม่ก็แล้วแต่ศีลนมันก็ต้องศีลแขึ้นไปมันถึงจะมีกำลังที่จะมาฝึกสมาธิได้ถ้าศีลห้ามันก็ยังไปกินอาหารเย็นได้ยังไปดูหนังฟังเพลง ยังไปงานเลี้ยงไปงานแต่งงานได้ อ, อันนี้ก็จะไม่มีเวลามาภาวนาก็ยังจะมาบวชไม่ได้อยู่แบบนักบวชไม่ได้คือจะบวชก็ได้แล้วไม่บวชก็ได้แต่ถ้าไม่บวชก็ต้องอยู่แบบนักบวชคือไม่มีกิจกรรมของนักบุญคือผู้ที่ไม่ได้บวชจะไม่ไปงานสังคมงานสังสรรค์อะไรต่างๆจะเปรีกตัวอยู่ตามลาพังเพื่อที่จะได้เจริญสติ แล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะได้สงบพอจิตสงบแล้วก็ทาข้อสอบคือพิจารณาร่างกายหรือว่าปล่อยร่างกายได้ไหมกลัวความแก่หรือไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่กลัวความตายหรือไม่ถ้ามีปัญญายแยกแยะว่าร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ แต่ร่างกายนี้เป็นสมบัติชั่วคราวไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟแล้วเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรารู้ว่าไม่ได้เป็นตัวเราเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาแต่ไม่ร่างกายของคนอื่นเราไม่ทุกข์เท่าไหรนะ่คนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าเขาเป็นร่างกายของเราเป็นของเรา แต่ถ้าเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นพ่อแม่เป็นแม่เรามันก็ทุกข์ขึ้นมาละเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเราละแต่ของคนอื่นที่เราไม่ได้ไปยึดไปถือว่าเป็นของเรานี่เราเดือดร้อนเนะเพราะเป็นอะไรก็มันก็เรื่องของเขาเราก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเรานี่มันไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ใช่ของของเรา เป็นของดินน้าลงไฟเวลาตายไปไปไหนน่ะก็ไปหากลับไปดินน้ำลงไฟกันนะครับนี่คือการใช้ปัญญามาสอนใจจนกว่าใจจะปล่อยร่างกายได้ไม่ทุกกับร่างกายไม่ทุกกับความแก่ความตายของร่างกายแล้วก็มาปล่อยความเจ็บของร่างกายร่างกายเวลาเจ็บเรา เรากลัวความเจ็บไหมเราอยากให้มันหายหรือเปล่าเวลาร่างกายเจ็บแล้วอยากให้มันหายเราก็ทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นคนเจ็บคนเจ็บคือร่างกายเราเป็นคนรู้ความเจ็บเหมือนเหมือนหมอดูคนไข้ดูว่าคนไข้ตอนนี้มีอุณหภูมิหมอไม่รู้ว่ามีอุณหภูมิสูงเท่าไหร่ต็นมีปลอดวัด เป็นไข้หมอก็รู้ว่าคนไข้เจ็บแต่หมอไม่ได้เจ็บไปกับคนไข้หมอก็อย่าไปทุกข์กับคนไข้หมอไม่ทุกข์กับคนไข้แต่ใจของเรามันไปทุกข์กับร่างกายของเราเพราะคิดว่าเป็นตัวเราพอมันเจ็บก็อยากจะให้มันหายพอเกิดความอยากให้มันหายมันก็ทุกข์ขึ้นมาความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากให้มันหาย อยู่กับมันไปทาวิธีทาให้อยูย่วิธีที่จะทำให้เราไม่อยากก็คือต้องมีทำให้เป็นอุเบกขาถ้าเรามีสมาธิเราก็จะรู้จักวิธีทําใจให้เป็นอุเบกขาเราก็ทําใจเฉยๆดูความเจ็บไปปล่อยให้ความเจ็บเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาไม่เที่ยงเดี๋ยวกาก็ดับแล้วเดี๋ยวเขาเกิดขึ้นมาก็เกิดก ด, ดั บ, ด, บดับของนไปเรื่อยๆ เวลาทำไปเนี่เราก็ไปาเนเก็บหนดเจแต่ว่าถ้าไปซื้อยาาทานเนี่ยจะจจจะเป็นีว่าอยากจะให้มันหายถ้าใคจะไปซื้อยาก็เป็นได้สองทางอยากให้มันหายก็ได้รักษาไปตามตามเหตุผลก็ได้ ถ้าเรายังมีความอยากมันจะต้องอยากให้หายแนๆ่ๆมันถึงไปซื้อยามา ย, ยังนี้ก็ต้องพิสูจน์ว่าแน่จริงก็อยากไปซื้อมาให้ใช้ธรรมโอสถไปอย่างย่อมไม่อยากว่าย่อย่อปหลอดลมอักเสบซึ่งเวลาอากาศเย็นๆมันจะมามาเยี่ยมทีนี้ยอมก็ทํำสมาธินั่งไปนั่งไปเดี๋ยวมันก็คล่องคล่องคล่องีกแบแล้วก็หาอะไรมาด้วยทีนี้ถ้าไปยอมไม่หา ย า, ยาอะไรที่มันแก้แก้ไอเนี่ยมาจิกจิอยู่แล้วก็ทำต่อไปอันนี้อันนี้จะไม่จะเรียกว่าเป็นคำหยากหรือว่าเพื่อสงเคราะห์ร่างกายให้มันปฏิบัติธรรมกับเราด้วยนั่นเองเราจะแยกมันยังไ ง, งนะใช่เราไม่รู้บางทีมันมาในในในมุมไหนเนี่เราก็เลยต้องพิสดดูจน์ดูเราไม่ไม่รักษามันดูนก็ตาย<บ>นะ ก็มันก็ต้องตายอยู่ดีรักษาก็ไม่ตายไม่รักษาก็ตายอาจารย์ไม่ออกก็หลุดพ้นไงจะได้บรรลุไงพระบางลูกท่านไปหลุดพ้นในปากเสือเนี่ยถ้าไม่ถูกเสือฆ่ามันก็ไม่ปล่อยระนั้ผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจเวลาทำข้อสอบข้อนนี้ว่าจะรักษาหรือไม่รักษา ไม่รักษาเพราะอะไรรักษาเพราะอยู่ที่เหตุผลไงแต่ถ้าบงทีถ้าเราไม่แน่ใจว่าเรารักษาเพราะความอยากให้มันหายอยากอยู่แล้วเราก็ต้องถ้าเราอยากทำข้อสอบข้อนี้เราก็ต้องไม่รักษาเหมันคืออย่างมีเรื่องเล่าให้ฟังอย่างในประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็ ตอนที่ท่านไปบำเพ็ญอยู่สามลำพังแล้วท่านเกิดอาการปวดท้องขึ้นมาตอนต้นท่านก็หายามารับประทานรับประทานยังไงมันก็ไม่หายจนท่านไม่อยากจะรักษาท่านก็เลยไม่รับประทานท่านจะลองใช้วิธีรักษาด้วยพลังจิตนคคือเข้าสมาธิใช้ปัญญาแยกแยะพิจารณา ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวท่านไม่ใช่เป็นเพียงดินน้ำลมไฟก็ดิจณาตอนที่มันเจ็บจริงจริะตอนที่มีอาการปวดท้องขึ้นมาแต่ไม่ไม่กินยากินมันไม่หายคือตอนตั้งก็กินเพื่อที่จะรักษามันทีรักษาด้วยยามันไม่หายท่านก็เลยอลองรักษาด้วยธรรมโอสรสใช้สมาธิใช้ปัญญา อันอยาแยกแยะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟไม่เที่ยง เ, เกิดแล้วก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปท่านก็เลย เ, เรียกว่าปรงสังขารนะพิจารณาจนกระทั่งจิตปล่อยวางร่างกายได้จิตแยกออกจากร่างกายจิตเข้าสู่ความสงบ ร่างกายท่านก็ไม่รับรู้ตามที่จิตสงบพอออกจากสมาธิมาท่านบอกว่าอาการเจ็บท้องนี่หายไปหมดเลยแล้วท่านก็ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปไม่กลัวความตายต่อไปเพราะท่านรู้ว่าตัวท่านไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายถ้าท่านสามารถแยกตัวท่านออกจากร่างกายได้ ตอนนี้ตัวเรามันไปติดอยู่กับร่างกายเป็นเหมือนปลาท่องโกยเหมือนแขวดสยามเข้าใจไหมพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เป็นไปกับร่างกายเราถึงต้องใช้ธรรมะมาแยกแยะมัน mm. แต่หลังจากที่ท่านปล่อยวางร่างกายแล้วท่านก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายากินไปตามปกติรักษาไปตามปกติ รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติก็ต้องดูว่ า, าเวลารักษานี่รักษาเพราะอะไรเราเคยปล่อยมันได้หรือ ย, ยังเราเคยปล่อยแบบไม่รักษามันได้หรือ ย, ยังปล่อยให้มันเจ็บได้ให้มันหายหเองได้หรือ ย, ยังถ้าปล่อยได้แล้วเอเราก็จะรักษาก็ได้ เรารักษาโดยที่ไม่มีความหวังว่าจะต้องให้มันหายรักษาไปตามเหตุเป็นไม่สบายก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาก็รับประทานยาไปจะหายไม่หายใจก็เท่าเดิมเท่ากันก่อนไปหาหมอก็ไม่ได้ไปทุกไปวุ่นวายไป <c oughs> ไปกลัวเวลาได้ยามากินก็ไม่ได้ไปมีความรู้สึกอะไร กับการกินยาหายก็หายไม่หายก็ไม่หายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องอพิจารณาเอาแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติมนขณะปฏิบัติแล้วมันเกิดอาการไอเออะไรทำให้ปฏิบัติไม่ได้ถ้ากินยาแล้วมันระงับได้ก็อาจจะกินเพื่อให้มันระงับอาการเพื่อที่จะได้ปฏิบัติ อันนี้ก็ก็ทำได้เพียงแต่ว่ามันจะติดหรือไม่เดี๋ยวทุกครั้งที่มันมีอาการก็ต้องกินมันล้าสมมติว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไม่มียาที่จะกินเราเราจะทำยังไงนักปฏิบัติเขาถึงมักจะไปหาที่อยู่ที่ไกลจากยาจากหมอกันเขาไปอยู่ในป่าในเขากัน <The best. S 1> เขาจะได้ไม่ต้องไปพึ่งยา <The best. S 1> พึ่งหม เขาต้องการที่จะพึ่งธรรมะ<ด>เพื่อที่จะได้ทําให้เขาแก้ปัญหาทางใจได้ไดสมัยจจนะ ท, น, ทนก็ที่ในที่มีใ น, ในพระกายพีดย่ดอกี่ท่านให้ให้พระทำทำน้ําหมักผลไม้ไว้รักษาตัวเองก็รักษาได้ไงแต่แมคการว่าในกรณีที่อยากจะไม่รักษา ในกรนีที่อยากจะปล่อยอถ้ารักษาแล้วใจยังทุกข์กับการรักษาอยู่มันก็มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาใจที่มาบวชมาปฏิบัตินี้เพื่อต้องการมาแก้ปัญหาทางใจไม่ได้มาแก้ปัญหาทางร่างกายแล้วปล่อยวางใช่ฮ ะ, ะถึงที่ตายก็ตายนั่นและแต่มันก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติว่าจะพร้อมไปทำข้อสอบข้อนี้หรือไม่ ช่วงที่ยังไม่พร้อมก็กินยาไปบันรักษาไปก่อนอรู้ว่าถ้าตัวเองยังมีปัญหากับความเจ็บไขยได้ป่วยอยู่ยังทุกข์กับมันอยูอ่ก็รู้ว่ายังตัวเองยังไม่ผ่านข้อสอบข้อนี้ถ้าอยากจะผ่านข้อสอบข้อนี้ก็ต้องมีวันหนึ่งที่จะต้องออต้องอยู่กับความเจ็บให้ได้ซึ่งมีวิธีหลายวิธีไม่ต้องรอให้เจ็บไายได้ป่วยก็ได้ นั่งไปอย่างเงี้ยแล้วมันเจ็บมันปวดก็อย่าไปขยับมันใช้ปัญญาแยกแยะใจให้ออกจากความเจ็บของร่างกายเพราะความเจ็บที่เกิดจากการนั่งนานๆมันก็เหมือนกับเวลาเราเป็นไข้เราไม่สบายอยู่มันก็เหมือนกันในลักษณะเดียวกันเราก็สามารถฝึกใจให้อยู่เฉยๆไปกับมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่เราจะไม่ขยับเราจะไม่ลุกนี่ยันนี้นอกสมาธิใช่ไหม นอกก็ได้ในก็ได้ถ้าถในาในในสมาธิมันก็ไม่เจ็บสิมันต้องมันอ่ามันมันเจ็บก็ต้องใช้ปัญญารับสมาธิทาใจก็มองมันย่กับมันก็ทำอย่างนนก็ได้ให้มันให้มันกับเราอยู่ด้วยกันได้โดยที่เราไม่มีอาการทุกข์กับมันถ้าเราทำได้ต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ต้องกินยาก็ได้ ถ้าเป็นโรคบางอย่างเช่นถ้าเป็นเลือกยาแก้ปวดนี่ จ, จะไม่ต้องกินก็ได้เพราะเราเรื่องความเจ็บความปวดนีไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังมีความจำเป็นที่ยังต้องรักษาร่างกายไปเพื่อประโยชน์ของเราเองก็ดีหรือของผู้อื่นก็ดีถ้าเรายังไม่ได้สำเร็จขั้นสูงสุดเราก็ยังต้องใช้ร่างกายนี้ปฏิบัติต่ตอไปเราก็ต้องรักษามันไปแต่ถ้าเราถึงขั้นสูงสุดแล้ว ถ้าเราักษาก็รักษาเพื่อผู้อื่นอย่างพระพุทธเจา้าหลังจากที่ท่านทรงตัดสัตวแล้วท่านรักษาเวลาท่านไม่สบายท่านรักษาร่างกายของท่านก็เพื่อจะเอาร่างกายนี้มาสั่งสอนผู้อื่นเพราะร่างกายมันก็กเป็นเครื่องมือในการใช้การสั่งสอนอันนี้ก็รักษาท่านก็รักษาเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้รักษาด้วยความอยากให้ ใ ห, ให้ให้อยู่ต่อไปรักษาเพราะว่ามันยังรักษาได้แต่ก็มีถึงขีดหนึ่งที่ท่านก็ไม่รักษาก็มีเช่นพระพุทธเจ้าเคยตัดบอกกับผ้าอนอนไว้ว่ า, าจิตของผู้ที่หลุดพ้นนั้นนี้มีพลังที่สามารถยืดอายุให้อยู่ยาวกับปกติได้ แต่พูดแล้วภาคนวลก็ไม่เข้าใจความหมายว่าหมายความว่ายัางไงความหมายก็คือถ้าจะยืดอายุของท่านในยามชรลานี้ท่านจำเป็นจะต้องมีคนช่วยปนิบัติช่วยทําอะไรต่างๆให้เกิดจะให้คนชรลามาซักจีวรเองมาทําอะไรเองนี่อาจจะไม่ไหวแต่ถ้ามีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระมันก็ทําให้ ยังอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าไม่มีใครช่วยแล้วท่านก็ไม่มีความอยากจะอยู่ท่านก็จะไม่ผักดันบอกพระนุนหลายครั้งพระนุนก็ไม่เข้าใจความหมายว่าถ้าอยากจะให้มุตตเจ้าอยู่คนที่รับใช้ท่านก็ต้องยินดีรับใช้ต่อไปที่พระนุนท่านไม่ได้เข้าใจความหมายท่านก็ไม่ได้ขอร้องให้อยู่ เมื่อไม่ได้ขอร้องอาราอานาน า, นาให้อยู่เวลาเวลาที่ถึงเวลาที่จะต้องอไปนี่ท่านก็จะไม่ยืดไม่ขอต่ออายุเหมือนข้าราชการที่เกษียณแล้วก็ไม่ขอต่อายุแต่ถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องมีคนขอให้อยู่ต่อนี้พระอานุนนี้เป็นคนที่จะต้องเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้า แต่ท่านท่านก็ไม่ได้พูดอะไรก็เลยไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่อยากให้อยู่แต่ท่านไม่เข้าใจเจตนาลงของพระเจ้าในการใพูดออกมาพระจะพูดตรงๆว่าอานนท์เธอต้องขอร้องให้เราอยู่นะเราถึงจะอยู่ให้อย่างมันก็เป็นเหมือนกับเป็นไปบังคับใจเขาอีกนก็เลยนก็เลยไม่ไม่ได้ขอให้พระเจ้าอยู่ต่อ พอถึงเวลาที่พระเจ้ารู้ว่าร่างกายนี้มันจะต้องไปถึงขีดที่ไปไม่ไหวแล้วถ้าไม่ใช้วิธีการพิเศษมันก็จะอยู่ต่อ ไ, ไม่ได้ท่านก็บอกพระนนท์ว่าเดี๋ยวสามเดือนต่ออย่างนี้เราจะไปแล้วนะพอพูดอย่างนั้นพระนนท์ก็ขอร้องให้อยู่ขอร้องให้พระเจ้าอยู่ต่ออย่าเพิ่งไปพระเจ้าบอกสายไปเสียแล้วเพราะาเราได้ตัดสินใจแล้ว เพราะเราก็เคยบอกเธอตั้งหลายครั้งแล้วเธอก็ไม่เคยขอให้เราอยู่สักครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจะจะไปหรือไม่ไปแต่ตอนนี้เราได้ตัดสินใจว่าเราจะไปแล้วเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราเปลี่ยนใจไม่ได้ก็เลยพานรนก็เลยเสียใจ <c oughs> ที่เป็นเหตุ ท, ที่ทำให้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ต่อไปอีก แล้วเวลาหลังจากนั้นตอนที่หลังจากที่พระเจ้าตายไปแล้วสามเดือนพาอาหารห้าร้อยรูปมาประชุมกันก็มามาทษมา ส, สอบสวนเรื่องของเหตุนี้ว่าทำไมพระอ น, นุจึงไม่อาร า, น, า, านนาพาะนุลท่านก็ตอาว่าท่านไม่ทราบก็ถูกตำหนิถูกปรับอาบตทถูกตำหนิว่าไม่ เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ขอร้องให้พุทธเจ้าอยู่ต่ออี ก, mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของใจที่ไม่มีความยึดติดกับร่างกายแล้ว mm hmm. จะอยู่ต่อก็ได้จะจะไปก็ได้แต่ mm hmm. ถ้าจะอยู่ต่อก็อ จ, จะต้องออกแรงดูแลรักษามันเช่นต้องออกกาลังกายต้องอะไรมีการ วิธีการประคบประคมอะไรต่างๆเพื่อจะให้มันอยู่ต่อไปได้แต่ตัวเองก็ทำไม่ไหวก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยมาช่วยพระอนุนี้อาจจะต้องคอยนวดคอยจับเส้นคอยอะไรอยู่เรื่อยๆคอยหาอาหารจัดอาหงอาหารมาให้หลังจากแปดสิบแล้วอาจจะบินสะบาดไม่ไหวแล้วก็ต้องมีคนคอยจัดอาหารมาให้ ถ้าอยู่เองโดยที่ไม่มีคนขอร้องก็จะหาว่าพระพุทธเจ้าอยากจะอยู่พระพุทธเจ้าก็ชราแั่นก็ต้องระวังว่าการกระทำของท่านนี้จะไปทำให้เป็นตัวอย่างไม่ดีหรือเปล่าเป็นการเป็นการแสดงกิเลสเออกหรเปล่าเป็นการใช้กิเลสหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของ ใจของพระเจ้ากับร่างกายของพระเจ้าท่านทรงเห็นว่าร่างกายมันจะต้องไปแล้วแต่ถ้ามันจะอยู่ต่อก็ยังพอที่จะประครับประคองมันไปได้แต่ต้องเป็นแบบต้องมีไม้ทุงไม้เท้าต้องมีอะไรต่างๆมีคนนั้นคนนี้มาคอยช่วยอะไรอช่วยชักจีวรช่วยเช็ดถูกุติช่วยร่างบาตช่วยบินทบาทให้อะไรทำนองนี้ แต่ท่านก็ยังใช้วาจาสั่งสอนต่อไปได้เป็นที่พึ่พงของผู้ที่ยังต้องอาศัยการการศึกษาเล่าเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาต่อไปได้แต่เมื่อไม่มีใครอาสาสมัครให้ขอร้องให้อยู่ถ้าอยู่ก็เหมือนกับคนหมือว่าคนที่คนถึงอายุกเกษียณแล้วไม่ยอมกเกษียณอย่างเนี้ยใช่ไหม คนที่เป็นนายกแล้วไม่ยอมลาออกจากตาแหน่งเนี้เเขาก็หาว่าอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆ อ, อยู่ด้วยความอยากยอยู่ด้วยตัณหาความอยากง <c oughs> ั้นเมื่อถึงเวลาที่เขาจะไปก็กปล่อยให้มันไปเื่อสำคัญมากคนะท่านปัญญานี่การการเรียนการเรียนจะในพุทธศาสนานี่ <c oughs> ถ้าไม่มีปัญญาเอาเลยอย่างอย่างอย่างระดับที่อยู่ ถอนตมเนี่ยก็ไม่รู้ขึ้นมาทําถึงไม่มีปัญญาอย่างอย่างที่ ท, ที่ที่ข้างเทพ ง, ง่ายว่าเรื่องที่เ อ, อพระอานอนท์เนี่ยไม่เข้าใจพระอานอนท์เป็นถึงพระแล้วก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ายัางไม่มีปัญญาที่จะคิดว่าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นน่ะมันมีความหมายอืมไม่ใช้ปัญญาเพราะการการจะเรียน เรียนคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยต้องการปัญญามากทุกอย่างเนี่ยทั้งเหตุทั้งผลที่อยากมีเหตุมีผลใช่ไมคะเพราะฉะ้นถ้าไม่คิดเลยนั่งต่อยว่าเอเหมือนนกแก้วนกขุนทองนี่ก็ผมจะไม่ได้อะไรเลยก็คําเบื้องตน้นจรงถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยศรัทธาไปก่อนนะศรัทธาคือประมวลด้วยเหตุผลว่ามีคนหลายคนเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ย เราทำไมไม่เชื่ อ, อก็ลองดูก่อนแล้วค่อยดูว่าสิ่งที่ท่านสอนนี่เป็นอย่างไรถูกไม่ถูกเพราะว่าท่านก็ไม่ได้บังคับให้เชื่อแบบงมงายให้เชื่อเพื่อที่จะได้ไปพิสูจน์ <c oughs> เหมือนกับเราเชื่อหมอเชื่อยานี่ถ้าเราไม่เชื่อหมอเชื่อยาเราจะทําตามที่หมอสั่งหรือเปล่าเราจะกินยาที่หมอสั่งให้กินหรือเปล่า นี่เราเมื่อเห็นว่าคนอื่นเชื่อหมอคนนี้เชื่อยาบริษัทนี้เราไปรักษากับหมอคนนี้กินยากับคนนี้าาแล้วหายเราก็คิดว่าพอจะเชื่อได้ก็คือพิสูจน์เองแต่เราก็ต้องไปหาหมอคนนี้แล้วก็ไปรับยาจากหมอคนนี้แล้วก็ไปลองรับประทานดูดูว่าจะหายไหมแต่ถ้าคนอื่นเขาหายเราก็น่าจะหายถ้าเป็นโรคชนิดเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็หายกันเวลาคนเป็นโรคเราไปหาหมอที่เรารู้ว่ารักษาโรคนี้ได้เราก็ไปเดี๋ยวรักษาเ้าก็ทำให้โครคภัยไค้เจ็บของเราหายไปได้อันนี้ก่อนต้นก็ต้องอาศัยศรัทธาก่อนแต่ถ้าไม่มีศรัท ธ, ธาก็จะไม่รู้ว่าว่าว่าไม่ไปพิสูจน์ก็ไม่รู้เหมือนคนที่ไม่เชื่อคาสอนพระเจ้าว่า ตายแล้วยังไปเกิดใหม่เพราะเขาไม่เห็นตัวที่ไปเกิดใหม่ว่าเป็นอะไรเขาเห็นแต่ตัวที่มันต้องตายแล้วก็กลายเป็นดินไปคือร่างกายเขาก็เคยคิดว่าแล้วใครจะไปเกิดใหม่ใครจะไปรับผลบุญผลบาปใหม่ใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกแล้วสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงเขาก็ยังไม่ได้ศึกษา แต่ถ้าเขาหมั่นศึกษาหมั่นฟังบ่อยๆก็อาจจะเข้าใจว่าอ๋อมีตัวที่ไปแต่เพียงแต่ว่าตัวที่ไปนี้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างที่บอกนี่บอกว่าร่างกายกับเรานี่มันคนละตัวกันเราเป็นตัวคิดตัวรู้ตัวนี้ไม่ตายไปกับร่างกายอันนี้เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของเราเพราะตาของเรานี่มัน ตาที่ยะยเห็นนี่มันปิดอยู่ตาที่เปิดอยู่นี้มองไม่มองไม่เห็นตาที่เปิดก็คือตาร่างกายมันไม่สามารถมองเห็นใจได้แต่ใจนี่สามารถเห็นใจด้วยด้วยตาของใจเองคือต้องเปิดตาในวิธีจะเปิดตาในก็ต้องปิดตานอกนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็หยุดความคิดต่างๆทำใจให้สงบ พอใจสงบความคิดต่างๆหายไปร่างกายหายไปจากความรู้สึกเนื้อคิดก็เหลือแต่ตัวรู้ขึ้นมาก็จะรู้ว่า อ, อ๋อตัวนี้มั น, เ ป, นเป็นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เป็นตัวร่างกาย <c oughs> ก็พอที่จะเชื่อได้ว่า อ, อ๋อตัวนี้ที่จะไปไปเกิดไปมีร่างกายอันใหม่ <c oughs> แต่ถ้าเรา ย, ยังไม่ไปถึงตัวนั้น เราก็ต้ออาศัยความเชื่อเชื ed, en', en <t> ่อด้วยเหตุด้วยผลว่ามันน่าจะเป็นไปได้เมื่อท่านก็เมื่อท่านแสดงแล้วว่าตัวเรานี้มีสองส่วนส่วนที่เรามองเห็นกับส่วนที่เรามองไม่เห็นส่วนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยที่จะไปไปมีร่างกายอันใหม่เวลาที่ร่างกายอันนี้มันตายไปแล้วอส่วนที่เรามองไม่เห็นนี่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะไปมีร่างกายอันใหม่ แล้วก่อนที่มันจะไปมีร่างกายใหม่มันก็จะไปสุขไปทุกข์ถ้ามันไปสุขมันก็ไปสวรรค์เรียกว่าสวรรค์ถ้ามันไปทุกข์ก็เรียกว่าอบายหรือนกรกเนี่ยสวรรค์นกรกนี้มันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาพจิตใจของพวกเราเองเวลาจิตใจเรามีความสุขก็เรียกว่าสวรรค์เวลาจิตใจเรามีความทุกข์เราก็เรียกว่า น, นกรกเรียกว่าอบายเรียกว่าเปรตขึ้นอยู่กับ ความทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์ถ้าเกิดจากความหิวนี่มันก็เป็นความทุกข์แบบเปร่ความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เป็นนรกแต่มันแต่มันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสับความความรู้สึกภายในใจของเราเองนี่ถ้าอธิบายอย่างนี้ก็ยังพอฟังแล้วก็อาจจะรับได้ อาจจะเชื่อก็ได้นี่ขั้นต่อไปก็อยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงก็ต้องไปปฏิบัติแล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้เริ่มมีเหตุมีผลให้พอที่จะเชื่อได้แล้วแต่ถ้าสอนแบบลอยๆซึ่งเดี๋ยวนี้คนที่มาสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรเรื่องเวรเว้าตายเกิดก็สอนไม่เป็นกันเพียงแต่บอกว่าตายไปแล้วมึงต้องไปแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่ไปนี้เป็นใครเป็นอะไรเลยก็คิดว่าจะ ได้ร่างกายนี้เป็นตัวเดียวเรามีตัวเดียวคือร่างกายนี้แล้วเวลามันตายไปแล้วมันจะไปไหนใช่ไหมมันก็ไม่สอนตัวรู้อ่ไม่มีใครสอนตัวรู้ตัวจิตตัวใจว่าก็เพีงแต่ว่าบางทีก็ว่าสอนว่าพอตายไปแล้วก็มีดวงวิญ ญ, ญาณออกจากร่างไปออัต่าดวง <c oughs> วิญ ญ, ญาณนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไปเกิดใหม่อันนี้ก็ก็เป็นงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัววิญ ญ, ญาณนี้มันเป็นยังไง เวลาที่มันอยู่ในตอนที่ร่างกายยังไม่ตายมันมันอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงก็มันก็ตัวตัววิญญาณตอนที่มันอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าตัวตัวจิตตัวใจตัวที่คิดอยู่คิดตัวที่รู้สึกอะไรต่างๆของทางร่างกายนี้เป็นตัวจิตไม่ใช่ตัวร่างกายร่างกายเองมันไม่มีความรู้สึกอะไรมันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันไม่รู้สึกว่ามัน เป็นอะไรเหมือนต้นไม้นี่มันไม่รู้เวลาเอามีดไปฝันต้นไม้นี้ต้นไม้มันไม่รู้สึกอะไรเพราะตัวที่รับรู้ไม่มีต้นไม้ไม่มีดวงวิญญาณไม่มีดวงจิตแต่ร่างกายนี้มีดวงจิตถึงรับรู้ถึงความเจ็บของร่างกายได้แต่ตัวร่างกายเขาไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของเขาเขาเป็นเหมือนต้นไม้ น่าใจของเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับไปความเจ็บของของร่างกายก็ได้ถ้าเรารู้จักวิธีรับรู้โดยที่ไม่ไปสร้างความทรมานใจให้กับเราสร้างความทุกข์ให้กับเราที่เราไม่รู้เราไปรับรู้ความเจ็บของร่างกายแล้วก็ผลิตความเจ็บของใจขึ้นมาด้วยจากการไปรับรู้ความเจ็บของร่างกาย ด้วยความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปด้วยด้วยความอยากไม่ให้มันเจ็บนมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองอยากให้ไม่เจ็บ <rí> e> อยากให้ไม่ตายอยากให้ไม่แก่อนี้พอไปคิดถึงความแก่ปั้แล้วก็ไม่พออยากไม่ให้แก่ปั้มมันก็ไม่สบายแล้วไม่สบายใจแล้วทั้งๆที่ยังไม่แก่เลยเพียงแต่คิด เพงแต่ยากเท่า น, นั้นเองหรือเวลาคิดถึงโครคภัยไข้เจ็บที่จะต้องเกิดขึ้นทีนสมัยนี้เป็นโรคมะไรกันเป็นอะไรกันยังไม่ทันเป็นเลยเพีงแต่คิดว่ามันจะเป็นมันมีโอกาสจะเป็นได้มันก็ไม่สบายใจขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอยากอยากไม่ <c oughs> ไม่เป็นกันแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวลามันจะเป็นก็ห้ามมันไม่ได้ เวลาไม่เป็นจะให้มันเป็นก็มันก็สั่งมันไม่ได้เหมือนกันก็ต้องก็ต้องยอมมันนัมันจะเป็นก็เป็นไปเลมันเป็นเราไม่ได้เป็นแต่เราเป็นหลงว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยไม่อยากให้มันเป็นเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้สบายสบายไปเรื่อยๆอไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายถ้าจะตายก็ให้ตายปรกปักไปเลยแบบปัจจุบันทันด่วน แต่ขณะนั้นก็ยังไม่ยอมไม่อยากเหมือนกันแล้วตาย เ, เรื่องระวังอยู่กับตายแบบปัจจุบันทันหน่วยก็อยู่ดีกว่าแต่ถ้าให้เรื่องระวังอยู่แบบเจ็บไข้าตายแบบเจ็บไขยได้ป่วยกับตายแบบกระทันหันนี่ก็ขอตายแบบกระทันหันดีกว่าเพราะไม่อยากจะเจ็บานะคือคือพูด ก, กับคนหลายคนนะพวกที่กลัวตายเนี่ยคือเขาไม่รู้ เวานาทีที่ตายเนี่ยเขาไม่รู้เขาไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาตกใจเวลาเป็นอะไรมันตกใ จ, กใจเขาไม่รู้ว่ า, าสเสียสติไปเสียสติไปหมดสติไปบางทีสลบสลายไปตอนที่เวลาจะตายถ้าไม่ได้ฝึกสติมานี่จะตกใจกลัวแล้วก็ถึงกับขั้นหมดสติไปเลยไม่รู้อ่าตายเมื่อไหร่ตายอย่างไร แต่คนที่มีสตินี้เขาจะรู้ถึงเวลาสุดท้ายเวลาร่างกายหยุดหายใจเขาก็จะรู้เพราะเขาไม่ตื่นก็ไม่ตกใจเขามีสติควบคุมใจดูร่างกายไปจนถึงเวลาที่มันแยกออกจากกันเขาก็แ ย, ยกมาแล้วด้วยการาทำข้อสอบนี้เวลาที่เขาไปเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เป็นใกล้ตายแล้วใจเขา สามารถที่จะควบคุมให้อยู่เฉยๆให้รับรู้ได้หรือเวลาที่เขาเห็นว่าจะต้องปล่อยเขาก็ปล่อยเขาก็จะเห็นการแยกของใจกับร่างกายออกมาอย่างชาัดเจนเวลาร่างกายตาย ใ, ใจกับใจจะไปอยู่อีกจุดหนึ่งไม่ได้อยู่คู่กับร่างกายร่างกายก็จะหลุดออกไปจากใจอันนี้มันจะเกิดจากการปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วมันจะสามารถที่จะแยกจิตออกจากร่างกายได้แต่มันต้องมีเหตุการณ์บังคับให้ปล่อยให้มีความเจ็บมากๆให้มีความภัยที่คิดว่าจะทำให้ตัวเองตายเนี่ยมันก็จะปล่อยปล่อยแล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้ปล่อยร่างกายแล้วพอเวลาปล่อยแล้วมันสบายยังเนื้อ คนที่รู้ว่าเวลาตายแล้วสบายก็เลยไม่กลัวความตายอยู่กับทุกข์กว่าตายงั้นเวลาตายก็ตายอย่างสบายเพราะเวลาปล่อยร่างกายแล้วก็ไม่ต้องไปแบกมันร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกระสอบข้าวอย่างี้ที่เราแบกอยู่ทุกวันหนัก อ, อกหนักใจไปกับมันอพอไม่มีมันแล้วมันก็เบา อ, อกเบาใจขึ้นมาสบาย อ, อกสบายใจขึ้นมา เวลาปฏิบัติถ้ามันปล่อยได้มันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่มันต้องมีเหตุการณ์ที่จะบังคับให้ปล่อยเพราะมันใอยปล่อยแล้วมันทุกมันทรมานพอปล่อยแล้วมันหายทุกข์หายทรมานเจ้เวลาทุกข์ทรมานกับความเจ็บไายได้ป่วยพอปล่อยมันได้ปั้มใจ ก, ก็จะสบายจะเบาถึงแม้ว่า ความเจ็บของมันยังจะมีอยู่ต่อไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตัวที่เป็นตัวทรมานไม่ใช่เป็นตัวความเจ็บของร่างกายแต่เป็นตัวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายหายเฉนั้นทาไปปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเจอข้อสอบอย่างนี้แล้วมันก็จะมันก็จะทำข้อสอบกันถ้าทำได้เดี๋ยวมันก็ มันก็เห็นผลว่า ا, ถ้าปล่อยได้แล้วสบายปล่อยความเจ็บได้แล้วสบายปล่อยความตายแล้วได้แล้วจะสบายใจที่ไม่สบายใจก็ปล่อยไม่ได้พออยากให้มันหายอยากให้มันไม่ตายนี่แสดงว่าไม่ได้ปล่อยถ้าปล่อยแล้วต้องเฉยๆมึงจะเจ็บก็เจ็บไปมึงจะตายก็ตายไปพอปล่อยได้จริงๆแล้วมันจะเบา ใจจะสบายมันก็เลยรู้ว่าความตายนี้ไม่มีปัญหาอะไรความเจ็บไม่มีปัญหาเลยตัวที่เป็นปัญหาก็คือความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายที่เรากําจัดได้แล้วที่เราหยุดได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาเจ็บเวลาตายก็เหมือนกับเวลาไม่เจ็บเวลาไม่ตายผลที่กระทบกับจิตใจมันไม่มีเพราะตัวที่ทำให้เกิด ความสะเทือนใจนั้นได้ถูกกาจัดไปแล้วด้วยความอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บเนี่ยใ น, นเวลาที่เจ็บมันก็เลยต้องใช้เป็นข้อสอบหรือว่าเราปล่อยมันได้ไหมถ้าเราขยับเราลุกเราไปหายามากินก็แสดงว่าเร า, เาปล่อยมันไม่ได้เราอยากให้มันหายเราเลยไปำทำวิวธีใดวิธีหนึ่งไม่ได้ปล่อยให้มันหายเองแล้ว ไม่ได้ปล่อยให้มันอยู่ของมันไปมันจะไม่หายก็ไม่หายมันจะไม่หายก็หายไม่เป็นปัญหาอะเลยถ้าเราปฏิบัติเราก็จะรู้เองว่าเราอรักษาเพราะอะไรรักษ า, เ พ, าเพราะอยากให้มันหายหรือรักษาเพราะว่าเราไม่เดือดร้อนแล้วแต่เรายังเห็นว่าร่างกายมีประโยชน์อยู่ยังต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เราก็รักษามันไปอันนี้ ถ้ายังไม่ได้ปล่อยมันมันส่วนใหญ่มันก็จะแสดงว่ามันรักษาด้วยความยึดติดอยู่แต่ถ้ามันปล่อยไปแล้วที่มันก็รักษามันก็รู้ว่ามันมันรักษาด้วยการไม่ได้ยึดติดรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็พร้อมที่จะหยุดทันทีอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่เราจะทํากันต่อไปแตข้อสอบ ขั้นต้นก็คือการฝึกจิตทาจิตให้สงบก่อนให้มีสติให้ได้ก่อนไม่ให้เผลอให้มีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ไม่ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ให้จดจ่อเฝ้าอยู่แล้วก็เวลานั่งเฉยๆก็อย่าอย่าไปคิดอะไรอย่าไปอยากอะไรให้นั่งเฉยๆไป ให้จิตสงบถ้าจิตสงบจิตจะมีความสุขจะมีพลังที่จะสอสู้กับความอยากได้แล้วเวลาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บเราก็จะบอกว่า อ, อ, อยากแบบนี้เจ็บมันทรมานนะอย่าไปอยากดีกว่าเฉยๆดีกว่าอยู่กับความเจ็บไปมันจะหายก็หายมันไม่หายก็เรื่องของมันมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ ถ้าสั่งได้ร่างกายเราก็ต้องไม่มีความเจ็บเลยทาไมต้องมีความเจ็บกันอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้แต่เราสั่งใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ด้วยการอย่าไปอยากให้มันไม่มาแล้วอย่าไปอยากให้มันหายไปถ้ามันมาเนี่ยมันมาก็ปล่อยมันมามันไปก็ปล่อยมันไม่ไปก็ปล่อยให้มันอยู่ไปเราอยู่กับมันได้เวลาไม่มาก็ไม่ไม่ไปรังเกียจนั้น ไม่ไปกังวลกับมันว่ามันจะมาเมื่อไหร่เรารู้ว่ามันต้องมาแน่ๆเหมือนรถไฟยไปยืนที่สถานีเดี๋ยวมันต้องมาแน่ๆช้าหรือเร็วมันต้องมาโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโรคตับโรคตายอะไรนี่เดี๋ยวมันต้องมาช้าหรือเร็วนะแต่ถ้าเราทําใจเฉยๆมาก็ปล่อยเข้ามาไปไม่มาก็ไม่เป็นไรบางคนยังไม่ทันเป็นเลยก็ทุกไปก่อนแล้ว วุ่ในสมัยนี้ที่กินยาสุขภาพกินอาหารสุขภาพเป็นก็ว่ากลัวจะเป็นมะเร็งกันใช่ไหมมันยังไม่ทันมาเลยก็กลัวมันก่อนอ่ะวุ่นวายกับการกินกันแบบแล้วไงมาพอมันพอปิดประตูนี้มันก็มาทางอื่นมันก็มาเป็นโรคอื่นแทนไม่กระตกเป็นใดตายก็โรคชราก็มีเดี๋ยวก็เจอโรคชราโรคหัวใจมันไม่มีกําลังที่จะเต้นแล้วมันก็หยุดเต้นของมันเอง เง <c oughs> ั้นอย่าไปหนีโลกเลยอยอมนะว่ามันมาแล้วมันก็ต้องเป็นเกิดมาแล้วมันก็ต้องตา ย, ตายมันต้องเจ็บไายได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึง่งก็เราก็กินอยู่ตามปกติก็ไม่ได้ให้กินแบบไม่มีเหตุมีผลอัไหนที่กินแล้วมันเป็นทายก็อย่าไปกินมันอันไหน เ, เข้าไปร่างกายแล้วเป็นโทษก็ะยา เ, าเข้าไปเลยอย่างสุรายาเมาเเนี่กินไม่ทําไมมันมีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยแล้วราคาก็แพงกว่าของที่มีประโยชน์อีก นมขวดหนึงสิบาทนมกล่องสิบาทวิสกี้กล่อง100บาทเนี่ยยอมซื้อยอมเสียงเงินซื้อวิสกี้เอาพิษเอาภายัยเข้าไปในร่างกายอ ข, อของมีประโยชน์ไม่เอากับไม่เอา อ, อันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้สามารถที่จะปกป้องร่างกายให้อยู่ไปให้มีอายุยาวตามปกติของมันให้มันอยู่ครบอายุของมันอ่ะพูดง่ายๆ ด้วยการกินอยู่ที่สะอาดที่ปลอดภัยกินอาหารที่สะอาดที่ปลอดภัยที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยสูตรอากาศที่สะอาดที่ปลอดภัยไม่ใช่สูตรบุหรีสูตรควันพิษอะไรต่างๆเข้าไปสูตรยาเสพติดกันนี้นะก็เอาแต่ของที่เป็นพิษเป็นภัยให้กับร่างกายแล้วพวกนี้ตายเร็วไหมอายุสี่สิบกว่าห้าสิบก็ตายกันแล้วออ เนื่องจากก็ของพวกนี้มันทําให้เกิดอารมณ์ที่ทําให้เขามีความสุขชั่วคราวเขาก็เลยไม่เห็นไม่กลัวพิดของมันเดี๋ยกลัวแต่มันก็หยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ได้มีมันมันก็ทรมานใจก็เลยต้องมีมีเพื่อที่จะมาดับความทรมานใจความเครียดต่างๆวันที่เหลื่มสุราคนที่ใช้ ย, ยาเสพติดนี่นก็เป็น เป็นการมาระ ง, งับความเครียดความทุกข์ใจต่างๆซึ่งวิธีของทางพูดนี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าไม่ใช้กันก็คือมาทาใจให้สงบกันหรือมาใช้ปัญญาปลงปล่อยวางเรื่องที่ทาให้เราเครียดกันเรากลับไม่ทำกันเรากลับไปหาวิธีแก้ที่ปลายเหตุมันเครียดแล้วดื่มสอลกอฮอลแล้วหายเครียดก็เลยเดื่มกันมันเครียดแล้วเสพยาเสพติดแล้วมันหายเครียดก็เสพกัน แต่มันก็ไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาคือมันไปติดยาใช่ <c oughs> ถ้าไม่ได้ไม่ได้กินยาไม่ได้เสพยาไม่ได้เลือมเวลาก็เครียดขึ้นมาอ่แรงกว่าเก่าอีกทีนี้แล้วก็มันต้องเพิ่มปริมาณแก้ไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ไปสะเทือนที่ร่างกายทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายก่อนอายุที่จะควรจะเป็น อันนี้ก็เป็นพวกเขาเรียกว่าพวกที่ไม่มีศรัทธาความเชื่อในศาสนากันซึ่งยุคสมัยนี้มันจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาคิดว่าเขาพึ่งวิทยาศาสตร์ได้สมัยก่อนคนเราไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็เลยมีเหตุการณ์อะไรต่างๆก็เลยต้องไปพึ่งพระเจ้ากันซึ่งพึ่งาศาสนากันที่จะอธิบายว่าออมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ทํางนั้นแล้วมันก็จะหายก็ยจะดี แต่สมัยนี้เขามีวิทยาศาสตร์เป็นที่พึ่งเพราะว่าเขาในนี้ถ้าไม่มีข้าวเขาก็สามารถหาวิธีผลิตข้าวขึ้นมาได้ไม่ต้องพึ่งทางสายศาสตร์ทางาศาสนาเขาก็เลยไม่เชื่อว่ า, าศาสนานี้มีประโยชน์อะไรกับเขาเขาก็เลยไม่เข้าห า, าศาสนาเพราะาศาสนากลับจะเป็นศัตรูกับเขาเพราะาศาสนาจะห้ามไม่ให้เขาทาตามความอยาก เช่นห้ามดื่มสุราห้ามประพฤติผิด ต, ตเวณีสมัยนี้เข้าถึงเรื่องการประพฤติผิด ต, ตเวณีการเดื่มสุรา this เป็น norm นซะละเป็นมาตรฐานสากล น, นะใช่ไหมหนุ่มสาวสมัยนี้เขาไม่แต่งงานกันเขาอยากจะอยู่กับใครนอนกับใครเขาก็อยู่กันไปเขาเบื่อเขาก็เขาก็แยกกันไปเขาก็ไปหาความสุขจากการไปเที่ยวยางคืนเที่ยวบาร์เที่ยวผับ เดือนสุลาแล้วก็ไปหาแฟนจับคู่คนนั้นจับคู่คนนี้ควงกันกลับบ้านไปนเขาก็เป็นแต่มันก็จะไม่ได้ให้ความสุขกับเขาอย่างแท้จริงเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวปะเดี๋ยวประเดีวแล้วเดี๋ยวเกิดเวลาที่เขาหาคู่ไม่ได้หรือไม่มีเงินเที่ยวเขาก็จะทุกข์แล้ดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกัน เพเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่ไม่ถูกจุดการแก้ปัญหาด้วยการทาตามความอยากกันวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดต้องเลิกความอยากกันอยากดื่มโซลาก็ต้องเลิกอยากเสพอยากจะประพฤติผิดประเวณีก็ต้องเลิกแม้แต่ป ร, ประพฤติถูกประเวณีก็ต้องเลิก <c oughs> มันก็ยังมีปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าจะถูกประเพณีแต่มันก็ยังแต่มันก็ยังดีกว่าแบบผิดประเพณีแล้วก็อาจจะต้องมาทํำบาปเช่นพอพอตั้งท้องขึ้นมาก็ไปทําแท้งกันนี่เพราะยังไม่อยากจะมีลูกยังไม่อยากจะมีความรับผิดชอบต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรแต่ถ้าแต่งงานกันอยู่กันแบบถูกต้องประเพณีก็มีความรับผิดชอบ มีครอบครัวกันอะไรกันไปก็ไม่ต้องทําบาแต่ถ้าไม่อยากจะมีความรับผิดชอบก็อย่าไปแต่งงานก็อยู่แบบพระไปมาถือศีลแปกันถ้าถือศีลแปก็ต้องมีกําลังสู้กับกิเลสก็ต้องมีสติมีสมาธิอะไรถึงจะอยู่แบบถือศีลแปได้แต่มันก็ยากสําหรับคนทั่วไปกําลังสติมันไม่พอที่จะสู้กับความอยาก ต่างๆได้ท้าบุญไม่ถึงนะก็ไม่มาถึงเสี น, ปนแปดนะครันั่นแหละก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนได้สะสมมาใน <c oughs> ในแต่ละภพแต่ละชาติยอมไม่ต้องรอมาตั้งกี่ปีกวา<ม>่าจะมาจะมาถึงเสีนแปดกับฟังท่านอาจารย์ได้ได้เือคอือใกล้าตายแล้ ว, ลวใกล้าตายแล้วมันทุ่เรื่องว่าอ๋อใกล้ตายตา <laughs> ยังดีก่ไม่จดรู้รว่าต่อไปก็จะไม่สามารถเสพได้แล้วต้องหาวิธีบนไม่ถิงอ่ะสายบาทผ่านท่านอาจารย์อยู่สองปีไม่รู้เลยไม่ได้หมเเดี๋ยวว่าแต่สองปีเลยชาวบ้านที่เราไปมินสาบาดสามสิบปีเขาก็ยังไม่รู้ลยาวว่านักองนี้มาจากไหนไม่รู้โอ้ นี่เธออยู่ขายกาแฟอยู่เป็น10ิสปีหรือไม่รู้ดีรายละเอียดของท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้มีรู้อยู่สี่ห้าคนบเดี๋ยนี้มาวัดกันเป็นประจำนะส่วนใหญ่ก็ใส่บาตรแท้ตอนเช้าเสร็จแล้วก็เข้าบ้านไปขอบคุณเฟซบุ๊กนะคะไม่ได้เฟซบุ๊กเนี่ยคะ่ะก็ต้องขอบคุณคุณต่อเนี่ยคุณต่อก็เป็นคนเปิดก็เป็นคนก็เป็นคนเปิดและเข้ามาเมื่อปีห้าหกเนี่ย 56พฤศภาก็ <Okay. S 1> เ, าเป็นคนไปเปิดล้วเขาแล้วเขาก็มามามาอนต้นก็มาใช้การอัดเสียงก่อนอัดเสียงอัดเสียงแล้วก็เอาไปลงในเ c e บุ๊กแล้วก็ถ่ายภาพไปลงตอนนั้นยังไม่มีวีดีโอแล้วต่อมาก็มีพัฒนาการเมื่อปีปีนี้ตั้งตอนปีนี้เริ่มมีมีการถ่ายทอดสดได้ ทีนี้มันก็เลยกระจายไปเร็วตอนต้นนี้ตอนที่ยังไม่ได้มีเฟซบุ๊กนี่มันคนชอบประมาณแค่สามหมื่นเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปเจ็ดหมื่นแล้วแล้วคนที่เข้าถึงแต่ละวันนี่สองสามแสนถึงว่าวันนั้นที่พูดเรื่องเรื่องปิดวัดนี้บันป๊บเดียวมไปมันไป ไ, ไปถึงคนที่้นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดนะสั่งการลงมาผู้ว่าสั่งการลงมา ผู้กำกับมาผู้แทนเมืองพัทยาม า, <laughs> ม, ามากันหมด <laughs> เข า, าโยนนะเออเกคุณแม่ไ่เรียส่งมาให้เิยที่ประทับใจมากเลยหมอกำลังผ่าตัดสมองอยู่พี่จิตนะโอ้หมอเขียนเลย <laughs> เรื่องนี้คะหมอแชร์แบบทุกคนเราช่วยกันนะเป็นหมอผ่าตัดยิ่งตายือคนไข้วันละร2 0คนี่ะิคนท่านยังแบบเอานี้เป็นแบบส่งกลน์เลยส่งรลยเลยอ๋อส่งเนียส่งเฟซในเฟซบุ o กโพสเลยค่ะอ่าเรื่องปิดว่านี่เลยการออาจารยเยอะมากาก็วันนั้นนักข่าวช่องห้าก็มาสัมภาษณ์ ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันประสานกันไม่ไม่ไม่ถูกไปพูดกับคนไม่รู้เรื่องคนที่รู้เรื่องคนที่ได้รับผลกระทบไม่ได้มาพูดก็เลยทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเพราะนั้นมาพูดมาคุยกันก็มาแก้ปัญหากันก็เขาก็มีทางแก้เขาไม่จําเป็นจะต้องปิดปบบปิดตายเขาเปิดปิดเปิดปิดได้เ้าก็เลยเปิดปิดเปิดปิดแล้วก็แบ่งเลน เพราะระยะที่มันเป็นปัญหาช่วงระยะกิโลเมตรเดียวที่น่าวัดมาที่สาราแต่ระยะทางอื่นเขาก็ปิดได้หมดนนะเ็แต่ระยะที่คนจะเข้ามาวัดมาที่สารามาทําบุญนี่ถ้าปิดแบบปิดตายเลยมันก็เข้ามาไม่ได้เ ป, เป็นพันเลยนะ ท, ที่ที่มีมที่ที่มีผลต่ อ, ตอคนที่จะทําบุญใส่บาตรใช่คนเก็จะมากันก็หลายร้อยคนเนื้อไปอยู่นเนาะข้าวมามแกงไก่มา ยืนเกอร์นีโอ้โหสงสัยนะวัดนี้นะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะก็เมื่อสองปีก่อนก็ปิดถนนสุขุมวิทครึ่งนึงนะที่เขาแข็งไอจักรยานเนี่ยแล้วตอนที่เราบินทบาเสร็จก็ห้ามไม่ให้เลี้ยวขวากลับวันเราต้องเลี้ยวซ้ายไปไปยูเทิร์นที่พัทยานู่นน่แม้กัะท่านบัสเต็มไปด้วยพระนะก็ไม่ปล่อยเาก็บอกต้องเลี้ยวซ้ายวันวันเวหมด เัาจะปิดเลนเลนขวานุ่นให้จักรยานวิ่งรถทั้งหมดนี้จะเข้ามาทางเข้ามาทางนี้ก็เลยต้องวิ่งไปช้าๆวันนั้นเลยตัดสินใจฉันในในรถเลยแล้วกลับถึงวัดแล้วมันมันจะสายเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีเวล า, าก็เลยนั่งฉันในใจในรถไปย้อนคอยไปทะเลาะกับตำรวจอยู่หอนึงค่ะมีอยู่ปีหนึ่ง ท่าแต็มนะบอกว่าฉันจะไปใส่บาททำไมฉันถึงเลี้ยวซ้ายเขาให้ไปยูเทินแถวเกือบถึงพัทยาทางโน้นอะซอยชายาพึกษเ่ยไปไปอย่าอยู่เท่นที่สอยชายาพฤกบอกฉันไม่ไปหละเก่าแผนออกสิที่ไม่เห็นมีคนขี่จักรยานสักคนนี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะจัดอีกสองวันข้างนอกนะฮะขางในวัดเนี่ยในในในบริเวณเขาชีจันทร์ในบริเวณซิวเล็กประเดี๋ยวนี้ ที่บริเวณแถวนี้มันเป็นสวยทางธรรมชาติเนี่ยมีต้นมงคลต้นไม้มีถนนที่ไม่มีรถแออาจไม่ต้องไปปิดถนนใหญ่ไม่ต้องไปปิดไอ้สุขุมวิทแต่มันอาจจะปิดทางเข้าเข้ามาเนี่ยสิเขาจะไม่ให้รถวิ่งเข้ามาใช้มีแต่จักรยานวิ่งอย่างนี้แล้วเราเราทางเข้าที่มาทางโ น, น้นนะก็นั่นสิก็ต้องหวังว่าเขาจะมาคุยกันมาปรึกษาการหาวิธีว่าพอที่จะเปิดช่อง ให้พวกที่เขาจะมาทมําบุญเข้ามาได้หรือเปล่าให้ผ้าออกไปบินระบาดแล้วกลับมาได้หรือเปล่า <Yeah. S 1> ก็พอดี mm hmm. การจัดงานแค่นี้เป็นการเ mm hmm. ตรียมการสำนับงานาดูดูว่าปัญหา mm hmm. มีอะไรบ้างแล้วคราวหน้าจะได้จะได้แก้ไขไว้ป้องกันเพราะคราวหน้าจะมีบุคคลสําคัญมาร่วมด้วย mm hmm. ก็เลยคราวนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมเตรียมงาน ทันที่เขาทำนะแทนได้บุญก็ได้บาปนะะก็ไม่บาปหรอกเพียงแต่เขาไม่รู้มันก็ได้ความเดือดร้อนก็ขื่อมาะือแต่ว่าเป็นบาปบางคนไปว่าบาปตกนรกคนจัดงานเขาร้องไห้เลยขอร้องให้เรามาช่วยพต์หน่อยเดยวไม่ได้ว่าเ่แคิดก็ทก่านั้นแคิดก็ทุกะไม่ได้บ้าว่าเป็นเป็นบาปก็คนเราอ่อนไหวง่ายนั้นเนี่ย อ่านทั้งสือเนี่ยพออ่านอะไรชอบก็ดีใจกันยิ้มกันพออะไรที่ไม่ชอบขึ้นมาก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมากันคนทำคนเองอออก็ไม่ชอบก็ปิดมันอย่าไปอ่านมัน<ช>ก็หมดเรื่องใช่ไหมไม่มีใครบังคับให้อ่านเท่าไหร่คนเขาจะเขียนเขาจะโพสเงี้เราไปห้ามเขาไม่ได้หรอก <c oughs> เขาก็พูดไปตามตามอารมณ์ร <c oughs> ู้สึกนึกคิดของเขาข้อมูลที่เขามีอยู่อะไรไม่ถูกบ้างผิดบ้างเขาก็พูดไปแล้วไม่ตัวเองทำแล้วไม่คิดก่อ เขาคิดเพียงแต่ว่ามันผิดพลาดไงไปประสานไปประสานกับคนผิดคนคนที่เดือดร้อนไม่มาถ้าเป็นวรดร้างนะก็ไม่เป็นไรท า, าไปอ <laughs> <laughs> ย่าิพาทวิญญาณ <laughs> เดี๋ยวก็ยิง่ง <laughs> พรแล้ว <laughs> และมันจบเดี๋ยวคิดว่าหมดช่วงแรกนี้จะอนุโมทนาให้พร <laughs> เผื่อใครอยากจะกลับจะได้กลับได้ แต่ยังมีคุยต่ออีกสักพักหนึ่งนะถึงเกือบสี่โมงน่งนะใครมีคำถามอะไรยังถามได้อยู่นะพอดีคุยกับทางนี้พอคุยทางนี้แล้วยาว <c oughs> แต่ก็ดีเหมือนกันจะได้มีเรื่องคุย <c oughs> อย่างนี้บางทีบางคนมาไม่ยอมคุยเลย <c oughs> นั่งเฉยเฉยถามอะไรก็ไม่ถามจะให้เราพูดคนเดียวก็เหนื่อย <c oughs> ต้องมีคนพูดตอบโต้กันนั่ง อนุโมทนาขอให้สุขให้เจริญให้เจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปนะเอาสินแปดไม่ได้าจเอาขลายาะดหน่เอาเจ็ดก็ได้เอาสินเจ็ดก็ได้ก็ข้อไหนที่ยังรักษาไม่ได้ก็อย่าปเพิ่งไปรักษามันอย่าอย่าพูดิอย่าเลียนั้นนิดนึงนิดนึ่การไซบาย์เจ้าค่ะ มักจะพระเกือบเดี๋ยวนี้เกือบจะแทบทั้งนั้นที่ให้ผ่อนแล้วก็มีบางองค์บอกว่านั่นแหละเป็นสิ่งผิดแล้วก็พวกโยมทำให้พระลำบากใจเพราะว่าจะต้องไปปรงอวัตจริงหรือเปล่าจะ้ะค่ะคือตามปกติเวลาเวรบินทบาทท่านให้สำรวมไม่ให้พูดจา ไม่คว ร, ไ, รไม่ต้องไม่ต้องรอให้ท่านให้พรเพราะพรมันเกิดจากการสายบาตรของเราแล้วการสวดให้พรนี้เป็นการสอนเท่านั้นเองสอนว่าเออทำบุญแล้วจะได้อ น, นิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ต้องสอนเราก็รู้กันอยู่แล้วทําบุญแล้วเราจะไปสวรรค์กันนี่เราเจะ เ, ยะยเลยแล้วทสมัยนี้เขามาบวชแล้วไม่ได้เดินกันไงแล้วก็เลยทํำกันไปตามาความรู้สึกนึกคิด โยมบางคนก็คิดว่าใส่บาตรแล้วถ้าไม่ให้พรยังไม่ได้บุญก็เลยต้องขอให้ใส่ให้พรกันแล้วท่านจะเดินไปพ่อก็บอกแล้วว่าไม่ต้องแล้วนะก็รู้สึกเอ๊ะเดี๋ยวพระท่านจะรู้สึกยังไงหรือเปล่าท่านจะให้พรอ็วงก็เหมือนไม่ทราใช่ไม่ทรไม่ควรไ่คตามตามธรรมเนียมไม่มีการให้พรเนี่บิณฑบาตพระสำรวมยังไม่พูดอะไรเลยนอกจากเรื่องคอขาดบาดตายหรือเรื่องอะไรจําเป็นจริงๆแค่นี้ อาจมาวัานหนึ่งมีคนใส่บาตรเกือบสองร้อยคนนี่ต้องให้พรสองร้อยข้างก็ตายป้ายกลับถึงไว้ก็จานให้ขนมเด็กกร่อยเอจนละให้พรจันเนี่ยให้ขนมเด็ก<ช>ขนเ็<ช><ช>่เห็นด<ห>ูขนมเด็กให้นมเด็กนะเด็กดีใจกันทุกค น, นมารอใส่บาตรกันก็นนเป็นอุบายให้เด็กจันิดสนมกับพระสงฆ์อง์เจ้าจะได้ ไม่มีความกลัวกัน เ, เด็กบางทีถ้าไม่ให้ความสนิทสนองเขากลัวนะเขาจะไม่กล้ากล้าเข้าหาพระเวลาโตแล้วเขาจะแต่ถ้าเขารู้จักตั้งแต่เด็กๆมาเขาก็มีความสนิทสนองเหมือนพี่เหมือนเหมือนพ่ออย่างี้เขาก็จะไม่กลัวพระแล้วพระก็เป็นเหมือนหมอหมอทางโลกใจถ้าไม่สบายใจก็จะได้ไปหาพระได้ ทางนี้มีอะไรจะถามหนึ่งมีไหม <S <S <S ยังทำไม่ได้เลยยังลงเบกขาไม่ได้แต่ตแถ้ามีลงเบรกขาแล้วจะใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้คิดแต่ว่ามีตั้งที่ไม่ไค่อยเข้าใจคี้เปันเะวมาชีวิตประจำวันว่าอย่างเดืนที่เลาคุณแม่ป่วยตลอดไงนะค่ะเพรตอนแรกเราก็เหมือนกับมีความอยากอย่งหนักว่าอยากให้ท่านหายแต่พอมันอยากเรื่องนี้ผ่านเป็นเรื่องนี้ปุ๊บก็ต่อต่อต่อจนเราก็รู้สึกว่า เราก็ทุกข์จนเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ไหวแล้วก็<ช> <ๆ S 1> เคยนึกถึงคําพูดพ่อจันที่บอกว่ารักษายัางไงมันก็ต้องตายเราก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันก็ปล่อยก็เลยปล่อยพอปล่อยแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าพลังที่เราจะไปทํานี่มันไม่ได้เหมือนเดิมนี่พลัทงที่เราอยากจะให้คุณคุณแม่หายเนี่ยมันที่จะพาไปรักษามันไม่ได้เท่าเดิมมันน้อยลงไงเพราะมันเห็นว่ามันมันมันไม่เป็นประโยชน์อะไรอทีนี้ก็คือว่าหมายความว่าไอ้ที่ตะก่อนนี้ที่เราอยากอันนั้นมันเป็น มากเกินใส่ไม่ไ่้ใส่กลางมันเกินเหตุเกินผลไงตอนนี้เรากลับมาที่เหตุที่ผลตรงไหนรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็อย่าไปดิ้นเลยบางคนตร ง, ตรงนี้ไม่ได้ก็ไปหาหมอตรงนู้นไปเมืองนอกเมืองนาอะไรกันมันก็เหมือนกันไปก็รักษาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายในการดำเนินชีวิตประจำํำวันของเราเราก็ต้องพยายามเอาธรรมะเข้ามาจับตลอดใช่ไหมคะเอาใจ ร, รัก พรณะทุตติยเข้ามาจักตลอดว่าสิ่งที่เราทําไปมันอทำไงเดี๋ยวมันก็มันก็จบเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นมากเป็นน้อยเอถ้าถ้ามันปองตายได้มันก็ไม่ต้องทําอะไรเลยทําให้เป็นเหนื่อยทําไมรักษาไงเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวถ้าจะรักษาก็รักษาแบบสบายๆตามกําลังของเราโดยที่เราไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกันแต่ถ้าเราไม่มีกําลังแล้วพยายามดิ้นรนไปหา คนนู้นคนนี้ให้มาช่วยไปหาอะไรมาเพื่อที่จะได้ดูการดูแล ร, รักษาแบบแพงๆเรื่อดีๆมันก็ตายเหมือนกันถ้ามันรักษาไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันก็รักษาสามสิบาททุกรักษาทุกโลกไปก็ได้หายก็หายไม่หายก็แต่ถ้ามีกำลังที่จะใช้เงินใช้ทองหาหมอที่ มีความสามารถเก่งกว่าหมอทั่วไปก็ไปได้หรือจะไม่ไปก็ได้สําหรับคนที่ปองได้บางทีก็ขี้เกียจถ้าต้องให้บินญาไปอเมริกาเพื่อไปรักษาไม่ไปดีกว่าควรตายที่วัดดีกว่าพาะปฏิบัติส่วนใหญ่ทนไม่ไปโรงพยาบาลกันท่านรู้ว่าไปไปถ้าหายก็หายหายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นใหม่อยู่ดีมันก็เพียงแต่ไปยืดอายุของท่านต่อไป อายุขอท่านท่านก็อยู่ไปวันวันท่านก็ไม่ได้มีไม่มีความหวังอะไรจากมันอยู่แล้วอันนี้มันปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองว่าตัวเองก็ยังออยู่ตรงจุดไหนอยู่ตัวเองยังทุกกับมันอยู่เปล่าถ้ายังทุกอยู่ก็แสดงว่ายังยังไม่ปล่อยอยังเป็นที่อาจจะปล่อยบางส่วนอาจจะต้องเริ่มปล่อยทีละเล็กทีละน้อยก่อน เมื่อก่อนนะจําเป็นว่าต้องอย่างต้องทุกอย่างต้องเต็มที่ต่อมา ว, ามวา่าไม่ต้องเต็มที่แล้วมันพอพอเป็นพอไปจงของหยใจเราอย่าไปทุกข์กับมันก็นแล้วกันจะจุดเริ่มต้นมันต้องทุกข์ก่อนนะคะแล้วพอเสร็จมันถึงได้สติมันถึงจะได้สติ อ, อย่างอื่นมาปัญญา ม, มา ม, ม า, มาจับให้มันปล่อยให้ได้เพราะใจเรามันไม่ยอมมองความจริงกันมันไม่ยอมความแก่ความเจ็บความตายว่า เป็นของที่เด็กเลี้ยงไม่ได้มันจะต้องเกิดต่อให้มีหมอดีขนาดไหนมียาดีขนาดไหนมันก็มันก็ไปตามกระบวนการของมันมันก็ต้องแก่เจ็บตายยกตัวอย่างอย่างพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมท่านก็มีหมอที่วิเศษที่สุดมีอะไรที่ดีที่สุดแล้วมันเป็นยังไงมันก็ยับยั้งไม่ได้ถึงเวลามันจะไปมันก็ต้องไป ที่คนขึ้นที่ก็มีหน้าที่ก็ว่าต้องทำไปเดี๋ยวถ้าไม่ทำาก็ก็โดนตาหนิว่าทำไมไม่ดูแลท่านให้ดีอะไรอย่างนั้นอย่างครูบาอาจารย์บางทีท่านก็กลายเป็นทุกข์กับท่านเพราะมันไปทรมานท่านอ่ะปล่อยให้ท่านอยู่ที่วัดก็ไม่เอากลับไปลากสังคาลท่านเข้าไปเข้าโรงพยาบาลแล้วท่านก็ตายอย่ดีเหมือนกันความคิดของคนที่มีกิเลสเขาจะไม่มองความจริงกันเขาจะมองแต่ความหวังกัน ก็จะอยู่กับความหวังอยู่กับความอยากเราไม่ได้อยู่กับความจริงความอยากความหวังมันก็เลยทำให้ทุกข์กันถ้าอยู่ความจริงแล้วมันไม่ทุกข์ความจริงก็คือเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วหวังยังไงหวังให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็หวังได้แต่มันหวังแล้วมันก็ต้องผิดหวังงั้นะอย่าไปหวังดีกว่า เอาความจริงดีกว่ า, ามีคำถามทางบ้านไหมน้องถ้าอยากจะกลับก็กลับได้นะใครอยากจะกลับหรืออยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้เดี๋ยวจะับอต า, ามสบายเดี๋ยวเราก็มีถามตอบปัญหาทางบ้านต่ อ, อถ้ามีอะไรอยากจะถามอีกก็ได้นะแต่ยังไม่เคลียร์แต่ปัญหาก็คือเราไม่สามารถทําใจได้เนทะ่านั้น เราหยุดความอยากไม่ได้หยุดหยุดทาใจให้เป็นอุเบกขาไม่ได้เลสิ่งนี้เป็นเรองพยายามที่เมื่อวานอาจารย์ศเรื่องเรื่องวารมี่ารมีให้ให้เจริญารมีก็็นอย่างนี้ทุกวันเราก็พยายามตรงนี้ว่าเราทาได้ปกข้อ่อกอบกับสิ่แต่หรือสิงเราพยายามทาให้มันให้ปีกข้อเตรียให้ประมาณอย่างนี้ให้มันเข้าไปสู่ขั้นอุเบกขาขั้นปัญญา ไล่มันเข้าไปมีอะไรจะถามอีกไหมคุณคุณสีสุรงังเรานานเจอนัท่ทีคุยกันทีเกือบจะลืมชื่อละตอนนีก็ต้องหน้าตั้งตาทำดีปวดโอกาสให้คนที่บ้านเขาถามบ้างนะเราก็ร่อกันมาชั่วโมงครึ่งแนละ้ว <c oughs> อ้าในทางนี้ครับผมผมได้สอบ นั่งสมาธินี่ต้องเร่งสมาธิทั้งหมดแตที่ลมหายใจหรือพุทโธจะต้องแบ่งบางส่วนไปคอยมอนิเตอร์รอว่ามีอะไรภาพคิดจองเข้ามาหรือเปล่าเวลานั่งนี่ไม่ต้องมอนิเตอร์เลยให้อยู่กับลมอย่างเดียวให้จดจอ่ออยู่กับลมอย่างเดียวให้รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกเท่านี้พออะไรจะมาอย่าไปสนใจอย่ากล่ว่าเหมือนกับเรานั่งทํางานอยู่ใครจะไอใครจะโทรศัพท์อะไรจะเข้ามาเราก็ทํางานของเราไปไม่ไม่สนใจไปรับรู้เรื่องอื่น ถ้าส่งไปแล้วมันเสียสมาธิไงบางทีมันเข้ามาก็อย่าไปสนใจอีกทีมันเข้ามาแล้วอ่ะวันแสดงวัชเติแล้วอ่อนมากพอมันมาป๊อปเราไปหามันเลยเราทิ้งลมเลยเราต้องไม่ทิ้งลมเวลานั่งสมาธินี่ไม่ทิ้งลมเลยให้อยู่กับลมอย่างเดียวเกาะลมเหมือนกับเป็นลมชูชีพเหมือนเวลาเป็นเหมือนกับชูชีพที่เราลอยลอยคอยอยู่ในทะเลเงี้ยอย่าทิ้งชูชีพทิ้งชูชีพแล้วจม อย่าทิ้งลมเวลานั่งสมาธิหรือถ้าใช้พุทธโธก็อย่าทิ้งพุทธโธอะไรจะเข้ามาก็อย่าไปสนใจมันแลเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองถ้าไปปั๊บพุทธโธหายไปปั๊บจิตก็จะไม่มีเสียหลักะเดี๋ยวก็ถูกเรื่องนู้นเรื่องนี้ดงไปดูดไปเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมานั่งไม่ได้นะนะต้องเพ่งอยู่กับเรื่องเดียวพุทธโธก็ได้ลมก็ได้ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้สามไ่้สามสิบสามมีสี่สิาค่ะสี่สิบสามมีชลาลันไม่ยังนนไม่ม า, มมาโทนี่ก็ไม่ม า, มมาอาประจำสองคนชาวต่างประเทศอ Facebook คาถามจากคุณประกอบการที่เอาปัจจัยหรือสิ่งต่างๆไปถวายพระแล้วอธิษฐานขอโน่นขอนี่กลับคืน โดยอาศัยว่าจะให้บุญช่วยโดนบันดาลให้เช่นนี้จะได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลเหมือนเรากินข้าวเราบาปที่ถามว่ากินข้าวแล้วขอให้รวยนี่มันจะรวยไหมมันคนละเหตุคนละผลกันกินข้าวมันก็กินแล้วก็อิ่มจะขอให้อิ่มหรือไม่อิ่มมันก็อิ่มเหมือนกันไม่ต้องขอชั้นใดการทําบุญนี่ก็เป็นการให้ความอิ่มใจสุขใจแต่ไม่ได้ทําให้ล่ําให้รวยหรืออะไร ถ้าจะรวยก็ต้องรวยชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่เพราะการทาบุญนี่เป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารพอชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีเงินในธนาคารมาเบิกได้จะรวยก็ต้องรวยชาติหน้าผลอนิสง์ของบุญที่เราทำนี้มันจะไม่หายไปมันจะรอเราอยู่เราเสียเงินไปเท่าไหร่ไมื่อเาเอาเงินไปฝากในธนาคารแล้วเราจะได้ดอกเบี้ยทบขึ้นมาด้วย เพราะว่ากว่าอีกหลายร้อยปีเรากว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เบีย้ยดอกเบีย้ยมันจะมากกว่าต้นอีกดะนันอย่าไปอธิษฐานขออะไรเลยการอธิษฐานนี่ให้อธิษฐานเหตุคือขอให้เราได้ทำทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลดีเช่นเนี่ยมาวานนี้ที่เทศละบา ร, รมีสิบก็คือให้อธิษฐานว่าชาตินี้ขอให้ใช้ชีวิตนี้ในการสร้างบา ร, รมีทั้งสิข้อนี้ อันนี้แหละเป็นวิธีที่จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการถ้าเรามีเหตุแล้วเดี๋ยวผลมันจะตามมาเองแต่ถ้าจะไปอธิษฐานที่ผลขอให้ได้ผลโดยที่นั่งเฉยๆไม่ทาอะไรนี่มันไม่มีวันที่จะเกิดได้ค่ะ ถ, ถามจากคุณสุพรโยมนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเกิดเวทนาทางกายมันไม่หายมีวิธีไหนคะที่จะไม่ให้จิตยึดติดกับความเจ็บปวดทางกาย พูดโทรทียิบออกเสียงก็ไม่หายค่ะอย่าไปอยากให้มันหายสิที่มันทรมาน์ไม่ใช่ความเจ็บที่มันทรมาน์เพราะความอยากอยากให้มันหายถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายใจเราเป็นอุเบกขานี่เราจะอยู่กับความเจ็บได้เหมือนกับเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเนี้ยถ้าเราอยากให้เขาไปเนี่ยมันเขาไม่ไปเนีโอ้ยเราจะอึดอัดภายในใจแต่ถ้าเราทำใจว่าต้องอยู่ด้วยกันอ่ะอยู่ก็อยู่ไป ตอนเรไม่มีความอยากเข้าไปเราก็จะเฉยๆอยู่กับเขาได้อันดีไม่ดีอยู่ไปนานๆอาจจะชอบกันขึ้นมาก็ได้เอ้าใช่ไหมคนคนไทยเวลาไปเมืองนอกใหม่ๆนี่จะกินอาหารข้างหลังนี่มาผือดโพมะไม่เคยกินแต่เมื่อมันไม่มีอะไรจะกินมันก็บังคับกินเข้าไปกินเข้าไปพอกินเข้าไประยะหนึ่งมันติดและมันชินและวพอกลับมาเมืองไทยอยากจะกินอาหารเมืองนอกใช่ไหมเพราะมันมันเคยชินและ ตอนต้นก็กินไม่ลงเพราะไม่ชินกับมันไม่ถูกปากแต่เมื่อมันไม่มีอะไรกินพอมันกินดบ่อยๆเข้ามันก็ถูกปากเองเหมือนกับเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันเดี๋ยวในที่สุดมันก็มันก็ชินกันเองชินกันแล้วเดี๋ยวตอบเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คิดถึงกันนะยิ่งหันทันอยู่กับความเจ็บปไปอยากไปอยากให้มันหายมันจะหายไม่หายไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องขาก็คืออย่าไปอยากให้มันหายปัญหาของเราอยู่ตรงนั้นวิธีจะทําให้มันไม่อยากให้มันหายก็คืออย่าไปสนใจกันให้พุทโธพุทโธไปเขาจะหายไม่หายอย่าไปสนใจให้ให้เรามีพุทโธพุทโธอยู่แล้วเราจะอยู่กับเขาได้อย่าไปนั่งเพื่ออยากให้มันหายเวทนานี้เราไปสั่งมันไม่ได้มันจะหายหรือไม่หายมันมีเหตุเรื่องของเหตุผลของมันมีเหตุมีผลของมันเองแต่เราอยู่กับมันได้ ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเอ็นปัญหาของเราคือไปอยากให้มันหายพอมันไม่หายก็เลยเนี่ยต้องส่งคำถามมันก็มาถามเอ็นต่อไปอย่าไปอยากให้มันหายมันจะหายไม่หายในเรื่องของมันเรื่องของเราก็คืออย่าไปอยากคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมเคยเจ็บข้อเท้ามากค่ะเหยียบพื้นไม่ได้เลยตอนแรกรักษาโดยยานวดและแช่น้ำอุ่นจัดจัด แต่ก็ไม่หายสักทีเลยตัดสินใจไม่สนใจมันฝืนใจเหยียบเท้าลงพื้นโดยใช้สตินําและบริกรมรมพุทโธพร้อมๆกับค่อยๆเหยียบเท้าลงฝึกแบบนี้อยู่หลายวันด้วยความตั้งใจผลที่เกิดคือค่อยๆหายและเดินได้ตามปกติซึ่งจากเดิมท้อมากแล้วคิดว่าคงเดินไม่ได้แบบเดิมแล้วการรักษาแบบนี้เรียกว่าธรรมะโอสถได้ไหมคะได้คือเราได้ทางใจและมันก็มีผลไปเกี่ยวกับทางร่างกาย พราเราไม่ไปยุ่งกับร่างกายเพ่อให้ร่างกายมันมีโอกาสฟื้นฟูของมันเองบางทีเราไปกระทบกับการฟื้นฟูของร่างกายด้วยการไปกินยาหรือไปบีบไปนวดไปจับอะไรแทนที่มันจะหายกลับไปกดมันไปทำให้มันฟกช้ำดำเขียวขึ้นมามันก็เลยไม่หายร่างกายนี้มันมีกระบวนการของมันเองในเรื่องของการเยียวยารักษาตัวมันเองโรคบางโรคนี้เราไม่ต้องไปทาอะไรมัน เดี๋ยวสักพักมันก็หายของมันเองแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันดีไม่ดีไปทําไปผ่าไปตัดเดี๋ยมันทําให้มันพิการไปเลยก็ได้บางนทีเราต้องใช้ธรรมโอสถเพื่อรักษาใจให้ปล่อยวางร่างกายแล้วพอเราปล่อยวางร่างกายร่างกายมีโอกาสฟื้นฟูของมันเองเดี๋ยวมันก็หายเองไทําไม่หายเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่กับมันได้เพราะเราแก้ปัญหาหลักคือใจของเราถ้าใจเราไม่ทุกข์แล้วเราก็จะอยู่กับมันได้มันจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่มันก็อย่างที่พูดเนี่ยมันก็จะมีอนิสงส์พอเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปกินยาที่ที่ผิดเแทนที่จะไปกินยาที่ถูกไปกินยาที่ผิดมันกลับมันกลับซุดลงไปซะอีกพอเราไม่กินเสีอย่างเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาเองถ้ามันไม่ดีก็ถือว่าเป็นขบวนการของมันที่เราไปทําอะไรไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแต่ถ้าเรารักษาใจได้ไม่ให้ทุกข์กับมันได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะอยู่กับมันได้ หายไม่หายเลยไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ทุกข์ไม่ทุกข์อันนี้สําคัญกว่าเพราะความทุกข์ที่เกิดจากใจนี่มันนุนแรงกว่าความเจ็บที่เกิดจากทางร่างกายคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามดิฉันเคยมีปัญหากับคนข้างบ้านเรื่องเล็กน้อยนานแล้วค่ะแต่เขาไม่เลิกลาดิฉันเดินเล่นหน้าบ้านเขาพูดลอยออกมาว่าดิฉัน แต่ดิฉันจะดูพุทโธอยู่ในใจดิฉันทําถูกไหมเจ้าคะก็อย่าไปตอบโต้งั้นแล้วก็อยู่ของเราไปเขาจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาให้เราคิดว่าเป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาเนี่ยนกกาก็ทําอะไรเราไปวุ่นวายกับเขาหรืเปล่าไม่วุ่นวายเพราะเรารู้ว่าเราไปทําอะไรเขาไม่ได้เราก็ปล่อยเขาทาไปก็อยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขาแล้วก็ทํา ใจของเราให้นิ่งให้สงบไปมันก็จะไม่มีปัญหาทุกปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ใจเราไม่นิ่งไม่สงบไม่ปล่อยไม่วางจะชอบไปตอบโต้ไปแก้ไขไปดัดแปลง่ยไปสอนเขานี่ก็อย่างเลยอย่าไปแย่รังแตนอยู่เฉยๆแล้วไปแย่รังแตนทะาไมเดี๋ยวแตนมานแต้วแล้วตายเดี๋ยวหน้าบัวมาเลย คำถามจากคุณมีศักด์ผมอยากได้คําแนะนําและวิธีปฏิบัติให้หลุดจากส ม, สมมุติเข้าสู่วิมุตติเออก็ไปบวชสิเนี่ยเราที่เราอยู่ทุกวันนี้เราอยู่กับสมมุติเท่งนั้นราบยศสํามลเสนเนี่ยเป็นสมมุติเท่งนั้นไปบวชแล้วเราก็จะได้ไปอยู่กับวิมุตติไปบวชแล้วไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นทางที่จะนําเราออกจากโลกของวิมุตติไอ้โลกของสมมุติไปสู่โลกของวิมุตติ คำถามจากคุณจารุวรรณเราจะสวดมนต์บทไหนดีคะ <c oughs> เพื่อเป็นการอุทิศกุศลให้กับคนที่เรารับและเพิ่งเสียชีวิตคะ อ, อ๋ออุทิศไม่ได้ละการสวดนี้อุทิศไม่ได้อยากจะอุทิศก็ไปทําบุญถวายสังฆทานอะไรทําบุญทาทานแล้วก็อุทิศได้เพราะการสวดนี้ยังไม่ได้ผลเี่เหมือนกับปลูกต้นไม้วันนี้มันยังไม่ออกดอกผลจากการ ส่วนนี้มันมันไม่ออกปุ๊บปั๊บเหมือนกับการทําบุญทําทานเราเอาเงินเสียเงินไปซื้อของมาถวายาพระปั๊มันออกมาละผลได้นะความอิ่มเอิบใจความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละเงินนี่มันเกิดขึ้นแล้วแต่จะเอาผลจากการสวดนี่มันเรายังสวดเพิ่งมาผัดสวดหรือเพิ่งเริ่มสวดจิตยังไม่สงบยังไม่รวมเป็นสมาธินี้มันไม่มีผลที่จะไปส่งให้เขาถึงไม่นิยมบูชิดบุญด้วยการอา่า รักษาศีนลนั่งสมาธิกันเพราะเรายังไม่มีมอ่ะผลทางนี้เรายังไม่มีศีลเราก็ยังรักษาแบบไม่ครบบริบูรณ์สมาธิก็ยังไม่มีเพียงแต่มีการสวดสิบห้นาทีมุมมามุมมามไปแล้วก็จะอุทิศไปแล้วอุทิศไม่ได้หรอกถ้าอยากจะอุทิศบุญให้คนตายาไปทําบุญดีกว่าอย่าไปเสียดายเงินเลยบางคนเสียดายเงิน สูทิดด้วยการสวดดีกว่าไม่ต้องเสียเงินคาถามจากคุณสกุาลาราการปฏิบัติจำเป็นต้องมีศีลไหมครับต้องมีทุกอย่างมีทานมีศีลมีภาวนามันมั น, ม น, ม น, เมนเหมือนกับหลักสูตรเรียนหนังสือจะจบปริญญามันก็ต้องมีวิชาหนึ่งร้อยสามสิบหน่วยกิตใช่ไหมแหมใยนี้ประมาณ1้อยสามสิบหน่วยกิตถ้าเรียนไม่ครบเขาก็ไม่ให้ปริญญา ถ้าปฏิบัติไม่ครบก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานคำถามจากคุณวรวัตการใช้กรรมในสมาธิมีจริงไหมครับไม่มีหรอกการอยู่ในสมาธินี่เป็นการเป็นการทำใจให้สงบไม่รับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเวลาเกิดกรรมในตอนนั้นเราก็จะไม่รับรู้เช่นคนระดาเราเราอยู่ในสมาธิเราก็ไม่รับรู้ เรียกว่าเป็นการหลบกรรมก็ได้แต่ลราหลบไม่ได้นานอยู่ในสมาธิไม่ได้นานเดี๋ยวก็ต้องออกมาพะเขาเราด่าตอนนี้เราไม่ไดีเดี๋ยวเขากรรมมาด่าใหม่แต่เราก็ต้องปล่อยให้เขาด่าไปเรื่อยเจนกว่าเขาจะเหนื่อยเขาจะเมื่อยแล้วเขก็หยุดด่าเองเราอย่าไปตอบโต้ถ้าเราไปตอบโต้เราก็ไปสร้างกรรมขึ้นมาใหม่สร้างเวรขึ้นมาใหม่งั้นก็ต้องอยู่เฉยการทำใจสมาการทําสมาธิก็เพื่อให้เราอยู่เฉยไม่ไปตอบโต้ ้ เ, เดี๋ยวพอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วเขาก็จะเลิกเองคำถามจากคุณศิมีโยมมีเพื่อนหลายคนเสือส่อมศรัทธาในพระเพราะเห็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมเลยพระไม่อยากทำบุญแต่โยมบอกว่าพระแท้ๆก็มีดูที่คำสอนท่านต้องเลือกทำอย่าเหมาหมดว่าพระไม่ดีอย่าตัดสิน อยากตัดโอกาสในการทำบุญ<ม>ก็แนะนำเขาไปว่าพระแท้มีที่วัดใดบ้างรวมถึงวัดยานด้วยแต่เขาไม่ทำหรือไม่ ก, ไมก็ไม่ก็ขึ้นอยู่กับเขาทำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าการทำบุญนี่ก็ความจริงอย่างที่บอกอก็ถูกแล้วพระนี่ก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่เราควรจะบอกขาว่าการทำบุญนี่ไม่ต้องทำกับพระก็ได้บุญเหมือนกัน ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้บุญเหมือนกันเออนะเราอย่าเลิกทําบุญเพราะว่าบุญนี้สําคัญบุญนี้เป็นที่พึ่งของใจบุญนี้จะเป็นเหมือนอาหารทําบุญแล้วจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเออนะถ้าไม่เชื่อพระไม่มีศรัทธาในพระก็อย่าไปทําบุญกับพระลูกที่เราไม่มีศรัทธาแล้วก็ไปทําบุญกับพระที่เรามีศรัทธาก็พ่อแม่เราก็เป็นพระอาหารเป็นพระพรของพวกเรา แล้วก็ทำบุญกับพ่อแม่ได้มีอะไรก็ซื้อของมาฝากพ่อแม่ได้มีเงินไม่รู้จะไปให้ใครก็ให้พ่อให้แม่ใช้ก็ได้อันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันคำ ถ, ถามจากคุณพี่ไลพรฟังธรรมเวลานอนจะเป็นบาปไหมตายไปจะเกิดเป็นงูไหมคะอ๋อไม่เป็นหลอกเป็งแต่ว่ามันจะหลับเส้ยมากกว่า <c oughs> มันจะไม่ได้รับประโยชน์มันจะเป็นยานอนหลับมากกว่าเป็นทา เป็นวิชาความรู้เพราะท่านอนนี้มันเป็นท่าสบายไม่ว่าจะนั่งทำสมาธิหรือฟังธรรมนี่มันจะไม่ได้ผลมากมันจะได้ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุบหลับไปไม่นิยมในท่านี้ท่านี้เป็นท่าพักผ่อนหลับนอนนอกจากไม่สบายลุกขึ้นมานั่งไม่ได้อันนี้ก็ก็ยังดีกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ทำเลย คำถามจากคุณเกษรินทสมถะภาวนากับวิปัสนาต่างกันอย่างไรคะสมถะก็คือทําใจให้สงบเนี่ยแล้ววิปัสสนาก็เป็นการสอนใจให้ฉลาดให้รู้ความจรงิงถ้าเปรียบเทียบการทําสมถะก็เป็นเหมือนกับการดมยาสรบให้กับคนไข้พอคนไข้สรบแล้วก็ผ่าตัดได้ก็เป็นวิปัสนาก็ไปผ่า แล้วก็ไปตัดไปต่อเรื่องอะไรที่เป็นตัวปัญหาในร่างกายถ้าไม่ดมยาสลบให้คนไข้ก่อนก็ไปผ่าไม่ได้เพราะคนไข้จะดิ้นถ้าจิตไม่สงบนี้จิตไม่มีสมาธินี่เวลาจะสอนทางปัญญาจิตก็ไม่ยอมไม่ยอมฟังกิเลสไม่ยอมให้คิดทางปัญญาให้พิจารณาความตายมันไม่ยอมคิดให้พิจารณาสุภาษิตมันไม่ยอมคิด มันจะคิดแต่เรื่องอยู่เรื่องมีของสวยๆงามๆให้ดูแต่ถ้าจิตสงบแล้วสอนให้มันทําอะไรมันก็ไม่ดื้อมันไม่มีตัวต่อต้านเหตุตอนต้นก็ทั้งทำจิตให้สงบก่อนเมื่อจิตสงบแล้วก็จะสามารถสอนให้จิตคิดไปในทางที่จิตไม่อยากจะคิดได้คิดถึงความตายคิดถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายได้พอเห็นความจริงแล้วต่อไปก็จะได้ไม่หลงไม่หลงรักใคร ถ้าเห็นว่าคนที่เรารักนี้ก็เป็นเมียมีส่วนที่ไม่สวยงามอยู่แล้วถ้าคิดว่าเขาต้องตายจากเราก็สู้อยจะไปมีเขาดีกว่าเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวเข า, าเขาตายจากเราไปเราก็กลายเป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้ไปก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจมันก็จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้พอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์กันที่ทุกข์เพราะอยากมีแฟน เวลามีแฟนไม่มีเวลาอยู่คนเดียวไม่มีแฟนก็อยากจะมีอยู่คนเดียวก็เหงาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราอยู่คนเดียวเราจะไม่เหงาความเหงามันเกิดจากความอยากพอไม่มีความอยากแล้วใจสงบมันก็จะไม่มีความเหงาไม่มีความว้าเหวก็จะอยู่คนเดียวได้ก็จะไม่ต้องทุกข์กับใครนี่คือวิปัสสนาแต่ก่อนจะคิดแบบนี้ได้ต้องมีสมถะมีความสงบก่อน คำถามจากคุณสุภาคนที่เขามีความทุกข์มากๆโยมอยากให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมแต่เขาก็ไม่สนใจอยากจะให้เขามาฟังธรรมที่พระอาจารย์สอนแต่เขาก็ยังไม่ทำตามอยู่ดีโยมจะทำอย่างไรดีให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมอยากให้เขาพ้นทุกข์เจ้าค่ะคือเมื่อเราพยายามแล้วเขาไม่ทำก็ต้องก็ต้องจบตรงนั้น เราจะทํำยังไงเมื่อเขาไม่ยอมจะทํำเราเราจะไปทํางไงก็ต้องมีทางเดียวก็คือลากเขามา <c oughs> ลากเขามาเาก็ไม่ฟังเองลากเขามาเดี๋ยวก็กวิ่งหนีเอง <c oughs> งั้นต้องดูว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็อย่าไปฝืนทํามันให้เหนื่อยไปเปล่าทําในสิ่งที่เป็นไปได้ดีกว่าคำถามจากคุณเหมียว ข้อที่1ถ้าเราตามรู้อารมณ์โลภโกรดหลงของเราได้แล้วต้องกําหนดอย่างไรถึงจะวางอุเบกขาได้คะรู้สึกว่าวางไม่ค่อยได้คะ่ะก็เพราะเราไม่มีอุเบกขาเนี่ยเราถึงต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิกันพอเรามีสติมีสมาธิแล้วเวลาเกิดโลภโกรดหลงเราก็จะหยุดมันได้ข้อที่2ออารมณ์รักชอบพอใจเราก็ต้องวางด้วยใช่ไหมคะ แต่ตามรู้อารมณ์นี้ไม่ทันค่ะต้องทำอย่างไรก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆคําำถามจากคุณนิวหากกระผมบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติกระผมจะสามารถไปนิพพานในชาตินี้ได้ไหมครับได้ถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคําำถามจากคุณแพลณภาทำบุญกับพระสงฆ์ต่างจากการทำบุญกับคนอื่นไหมคะ เช่นให้เงินพ่อแม่ใช้ให้ทานผู้ร้อยโอกาสก็มันมีสองส่วนส่วนที่เหมือนกันก็คือความสูกใจที่เราได้จากการเสียสละเงินทองนี้ให้ใครก็ได้ความสุกใจเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราทำมุญนี้ก็ต่างกันเหมือนกับเราไปเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆนี่เราก็ได้น้ำมันเหมือนกันไม่ว่าจะได้ปั๊มไหนแต่ปัมบงปั๊มก็มีของแจกไม่เหมือนกัน บางปั๊มก็แจกน้ำบางปั๊มก็แจกยาสีฟันก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะได้อะไรถ้าเราอยากได้น้ำเราก็ไปเลือกปั๊มที่แจกน้ำเราอยากจะได้ยาสีฟันก็ไปปั๊มที่เขาแจกยาสีฟันการทำบุญกับคนเขาก็มีของแถมให้เราไปทำบุญกับพระพระท่านก็มีธรรมะแถมให้เรากลับมาแต่เราอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องไปทำบุญกับพระถ้าเราอยากจะเ ร, เราไม่ต้องการในของแถมเราก็ไปทำที่เขาไม่มีอะไรให้เรา เท่นทากับขอทานอย่างเงี้ยขอทานก็ก็จะไม่มีอะไรให้เราถ้าเราอยากจะมีหมามาคอยเฝ้าบ้านให้เราเราก็ไปทำทำบุญกับหมาเอาหมามาเลี้ยงเลี้ยงหมาก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเราต้องเสียเงินเหมือนกันใช่ไหมเสียเงินเลี้ยงหมาแล้วก็มีความสุขจากการเลี้ยงหมาแล้วหมามันก็ตอบแทนเราด้วยการเฝ้าบ้านให้เรา งัมันก็ทําบุญแต่กับบุตรแต่ละบุคคลนี่ก็จะมีอันนี้สงต่างกันไปมีประโยชน์ต่างกันไปในในในเรื่องของสิ่งที่เขาจะทำให้กับเราแต่ในเรื่องของการเสียสละแบ่งปันนี่เราจะได้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะทํากับใครจะมากจะน้อยก็อยู่ปริมาณของการเสียสละถ้าเสียสละมากก็จะได้มากเช่นทําบุญ10บาทกับทําบุญร้อยบาทนี่อันไหนจะมากกว่ากันทําบุญร้อยบาทมันก็ต้องมากกว่าทําบุญ10บาทความรู้สึกมันจะต่างกัน เวลาเราเสียสิบบาทเราจะรู้สึกเฉยๆแต่แเราเสียร้อยบาทนี่เราเสีกว่าต้องสู้กับกิเลสหน่อยนะพอชนะมันนื้อ ร, รู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเลยว่าวันนี้เสียสละได้มากคำถามจากเด็กดีมีน้ำใจการทําอานาปนสติภาวนาจิตที่นิ่งตามลมหายใจรู้ตามสภาพอารมณ์แล้ววางลง ต่อเนื่องไปกระทั่งออกจากสมาธิทำถูกทางไหมครับกลุณาแนะนำทางสายเอกด้วยครับอันนี้เหลือเกี่ข้อเนี่ย<า>อ่อ่สามก็<า>ม<ๆ>ก็ก <Multi> ารดูลมนี่อย่าไปดูอารมณ์ให้ดูลมหายใจอย่าไปดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้อยู่กับลมหายใจยไปเพราะเราต้องการให้อารมณ์หายไปถ้าดูอารมณ์แล้วมันจะไม่หายให้ดูลมหายใจแล้วเดียดยดยเด๋ยวจิตสงบมันก็อารมณ์ต่างๆก็จะหายไปจิตก็จะว่างเย็นสบายมีความสุข คำถามจากคุณมาริกาคนเป็นลูกทำงานเป็นเชฟเมืองนอกและขณะนี้แม่ป่วยและได้เสียชีวิตลงแต่ยังไม่ได้เผาถามว่าลูกไม่กลับมาเผาแม่ผิดไหมคะแต่ลูกอ้างว่าเขาบวชเมนมาแปปีและไม่ได้มีความผูกพันกับแม่ผิดถูกยังไงคะจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แม่ก็ไม่ฟื้นอยู่ดีหน้าที่ของคนคนที่อยู่กับคนตายก็คือจัดการ สมให้เรียบร้อยไปท่านเองอยู่ที่ไหนก็สั่งการได้สมัยนี้ส่งเงินมาให้สับปเปล่าช่วยเผาให้ก็ได้อันนี้ไม่มีความแตกต่างกันมาทำเองหรือไม่มาทำเองมันก็ผลมันก็เท่ากันก็คือจัด ก, การกับศพให้เรียบร้อยดงั้นจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสัมพันธ์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนบางคนคิดว่าจะต้องมาก็มาบางคนคิดว่าเขาไม่ต้องมาก็ไม่ต้องมา อันนันมีมนมมไไ่่ะรตตายตวคําถามสุดท้ายจากคุณวีระชัยเวลานั่งสมาธิถึงจิตสงบเหมือนว่าหยุดหายใจให้ทําอย่างไรต่อครับกลรู้เฉยๆให้มันนิ่งต่อไปมันไม่หายใจก็รู้ว่าไม่หายใจขอให้มันสงบให้มันนิ่งแล้วมีความสุขก็อยู่กับมันไปนานๆเรานั่งก็เพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบให้มีความสุข เมื่อเราได้ความสุขก็พยายามประคองมันไปอย่าเพิ่งออกมาเจนกว่ากิเลสมันจะดันออกมาทนอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะอยู่ต่อไปเราก็ต้องผลักดันกับเข้าไปใหม่ต้องดูลมต่อไปใหม่อันเดียบมันก็จะขับเข้าไปใหม่แต่ส่วนใหญ่เรามักจะหมดกําลังแะเพราะการสร้างสตินี้มันเหนื่อยเหมือนกันสู้ ไปทําอะไรตามกิเลสไม่ได้ไม่ค่อยเหนื่อยเดี๋ยวออกมาบ้ากิเลสว่ากาแฟอยู่ตรงไหนน้ําชาอยู่ตรงไหนขนมเค้กอยู่ตรงไหนมันง่ายกว่าถึงแม้จะทํามากกว่านั่งเฉยแต่มันกลับกลับไม่เหนื่อยเหมือนกับการนั่งเฉยนั่งเฉยกับเหนื่อยนะแต่การไปหากาแฟมาดื่มหาน้ําชามาดื่มหาขนมเค้กมากินยังไม่ค่อยเหนื่อยอ่าหมดแล้วนะพอสมควรกับเวลา